ระนังคัจฉามิธรรมังสรารนังคัจฉามิธัมมั ง, งสรารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมติพุทธังสรารนัง คัจฉามิทูตีย i, ํตปิธรังสา ร, รังขัจฉามิทูตียัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุตียัมปิสังขังสารนังคัจฉามิ ตาติย <kiem> ัมปิพุทธังสารนังคตฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคตฉามิตาติยัมปิสังขังสารนังคตฉามิ ติสารณะคมันดังนิตติตั้งขอกราบขารพพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเขาจะเรียนทำทํามดีพวกเราทุกๆฐานะกนะนะ็พอดีนะพอดีมัสแห่งตามานย่ยังค้างอยู่นะขอมาต่ออีกอีกวันหนึ่งนะ อ, อาจจะทวนนิดนึงนะ คำว่าคำจริงภาษาอังกฤษนี่มันก็เป็นคำคำที่ถ้าเราใช้ไปบ่อยฟังไปบ่อยเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะแล้ว ก, ก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น u ัส <Must> นะก็คือแปลว่าต้องแ v e แปลว่ามีนะมาแซก็คือต้องมีถ้ามาปรรลเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็คิดว่าเรื่องเราชีวิตของพวกเรามีมากมายเหลือเกินนะเรามาเดินตามรอยพระโพธิสัตว์เนี่ยดูเหมือนว่ากิจการกิจกรรมนะกิจกรรมกิจการพิธีการนะทั้งงานหลวงงานลาดงานวัดงานนะ อย่างที่พ่อครูบอกอ่ะงานระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านนะจะเข้ามาจนไม่รู้ว่าดูมันเยอะแยะมากมายเห็นเด็กของเราเนี่ยก็ต้องนับถือเหมือนกันนะดูเขาจะทุกซนตามภาษาตามวัยเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาทํางานทําการอย่างกางเต็นเก็บเต็นเนี่ยเต็นยักษ์เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช่ฝีมือเด็กๆนะ เด็กของเรา ม, มสองมสามทำงานกันนี่ไม่ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยละปีนขึ้นปีนลงนะเต็นยักษ์เต็นใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแต่ว่าดูความคล่องตัวของเด็กเราอายุมากๆแล้วเนี่ยดูเด็กทำน่ะต้องนับถือเขาจริงๆเลยฝีมือเขานะแรงกาลังของเขาทั้งนั้นที่ยังเหลือเฟือขนาดกลางอย่างนั้นอย่างนั้นตอนเย็นยังมีแรงวิ่งขยมบนตึกกันได้น่ะได้สบายๆแต่ก็ กำลังเขามากมายแต่บางทีก็ดูบางทีดูชีวิตเขาก็น่าสงสารเหมือนกันตื่นเช้ามานี่แทบจะไม่มีเวลาเก็บประผมนะเดี๋ยวพวกที่อา้าวพร้อม น, นวิ่งกันออกมานะแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วตอนที่ไปมาอยู่ใ ห, ใหม่ๆยังไม่มีรุ่นพี่คอยบริหารดูแลคือเหมือนกันกบ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็แหละนะงานเยอะจนพวกเราแซวกันว่าโอ้โหทำงานทำงานยุ่งจนไม้มีเวลาเก็บกดนะเก็บกดไม่ได้เก็บกดทางอารมณ์อะไรแต่ว่าเก็บกดที่กลางเอาไว้อะนะกลางเอาไว้แล้วไม่ไ ม, มีเวลาเก็บตื่นมาก็พวดออกจากทำงานแล้วก็ไปอะไรบางทีก็ไม่ได้ย้อนกลับมาแต่มาเก็บหัวเก็บหางอะไรดูมันชุนละมุนไปหมดนะ่ำไมก็เลยคิดว่า เรื่องราวที่มันเยอะแยะมากมายที่เราต้องรับรู้รับฟังอ่านี่ยัง น, นี่ยังดีนะช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่านัดหมายกันสัมมนานัดหมายประชุมนัดหมายต้งเดินทางไปตรงนั้นไปตรงนี้ลดน้อยลงนะอันตราก็ยังเป็นห่วงนะแซวแซวทางฝ่ายทางฝ่ายส่วนกลางก็บอกว่าถ้านัดประชุมกันโดยบ่อยเนี่ยพวกเราคงไม่มีเวลาทํางานนะอีกหน่อยก็ต้องถือกระเป๋าเจมบอนแล้วก็ เดินทางไปประชุมนะสัมนาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วก็ผักก็จะงอกงามบนกระดานไปเรื่อยๆนะคุยเรื่องผักเรื่องอะไรจะมีแต่เรื่องผักได้งามบนกระดานเฉยแต่ว่าพวกเรายังยังไม่มีเวลาลงภาคสนามจริงๆดังนั้นในวิถีชีวิตที่เรื่องมันเยอะเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊่น่าจะทบทวนกันบ้างว่ามันมีเรื่องอะไรที่ที่เบียงลําดับความสาคัญ อาตมาก็ลองนําเสนอตัวอย่างขึ้นมานะตอนก็จะใช้เวลาทักชั่วโมงเนี่ยนะตอนท้ายก็จะให้พวกเราคำยิงมีอำนาจิกมาสนะในมวลอำนาจิกรมาสนะเพิ่มเติมก็ได้นะมัแสแทบของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยน่าจะมีอะไรนะอาตมาก็ลองตั้งดูว่าเรื่องนี้ต้องมีเรื่องนี้ต้องมีนะคือเรื่องที่ต้องมีศีลอย่างนี้ก็ไม่ ก็ไม่เอาพูดกับหลกเยังไงมันเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยนะเนยาดำอยู่แล้วใครไม่ได้กินยาดำนี่ก็ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะก็ในท้ครับทั้งเยอะๆเนี่ยวันนี้ประชุมปะกลักนาค ก, ก็ได้มีโอกาสฟังโคดูแต่ละคนนี่นะนับวันนี้รู้สึกว่า งานมันเยอะขึ้นมากขึ้นนะกระสงสารฟังแล้วต่าตมารู้สึกคือคนของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยต้องแบกภาระนะหนักจนจนรู้สึกว่าเออเกินนะเกินที่เขาเกินกำลังที่เขาจะต้องต้องต้องรับผิดชอบนะอย่างปัญหาอย่างที่โรงครัวเนี่ย ปกติทั้งการเงินทั้งลรงครัวเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็เพิ่งมีในตอนบสอเนี่ยนะแต่ไหนก็ไม่มีเพราะว่าแค่การเงินคนเดียวก็หัวบวมอยู่แล้วนะมาคอยตามาเงินมันจะหลุดเงินจะหายเงินจะหล่นมันจะห ล, ลงจะลืมเนี่ยชุมชนขนาดใหญ่พวกเราทําการเงินระดับจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าการเงินบ้านลานเนี่ยเงินบุญเข้าบุญออกมันมากกว่าระดับจังหวัดเล็กๆบางจังหวัดอีกนะนี่เขาต้องคุมการเงินด้วย คุมโรงครัวด้วยนะมันมันมันอาตมารู้สึกว่าคือเรื่องเงินมันวุ่นนะนะเรื่องทำอาหารมันต้องสงบนะอาตมารู้สึกว่าดูอย่างคนโบราณก็ทําอาหารกันเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเขาจะต้องนะฟังภรรยาของนายห้างเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะต้องอาบน้ำทำร่างกายให้สะอาดแล้วก็ต้องมีสมาธิไม่ให้ใครมายุ่งเลยนะ คือดูแล้วก็นะ่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเอาความยุ่งของการเงินมาใส่กับข้าวลงไปด้วย <c oughs> คือแมคโครเนี่ยเขาบอกว่าคนทําอาหารเนี่ยก็ต้องทํำสมาธิให้ดีเลยนะอย่าไปทําจิตใจวุ่นวายเดี๋ยวมันจะไอคนไอความวุ่นวายมันจะลงไปในอาหารแล้วก็ทําให้คนกินอาหารพลอยวุ่นวายตามไป ด, ด้วยนะจริงๆก็ไม่น่าจะอยู่ที่เดียวกันนะนะแต่ว่าโดยสถานาการณ์ที่ความจําเป็นอย่างนี้ มันรู้สึกว่าคนเราเยอะขึ้นนะคนบ้านล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยสองร้อยแต่ดูว่าตัวที่เป็นตัวตัวบัวงานของชุมชนก็ยังต้องแบบก็ดูเหมือนบัวงานเนี่ยต้องแบกภาระหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะอย่างที่เคยตัดโลกกันขึ้นมาที่ว่าเอ๊ะคนชุมชนมีมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าคนเก็บผัก กับลดน้อยลงนะเหลือแค่คนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้ไปโทษใครนะเพราะเพื่อร่วมงานเพื่อร่วมรวมการเนี่ยก็ก็ต้องถูกดึงไปหน่วยอื่นที่ที่มันจําเป็นเหลืออะไรไปเนี่ยก็ต้องถูกดึงไปก็เหลือก็เลยเหลือคนเดียวอะไรงเงี้ยซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ เ, เป็นเรื่องที่วัดมันเป็นเรื่องที่กําลังชุลมุนกันเนี่ยนะในสถานการณ์ที่กําลังชุนลมุนกันเนี่ย ก็เลยคิดว่าเอนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมาลองไล่กันดูว่ามัตสึแของแต่ละคนเนี่ยจะจัดตันยังไงแต่ก็ดูบางคนนะวันนี้ฟังปากกักเขาพูดกันเนี่ยอย่างคุณปะดาวบุญคุณป่าดาวบุญนี่ก็เป็นวว ง, งานคนหนึ่งของชุมชนราชธานีศกนะก็เป็นตัวหลักแล้วก็ทำงานอะไรเยอะแต่ทุกวันนี้าถาม กำลังของเขาจากเดิมกําลังสักร้อยหนึ่งเนี่ยถามว่าตอนนี้เหลือเท่าเหลือทักเท่าไหร่เขาบอกก็ก็เหลือสี่สิบะจากร้อยหนึ่งเหลือสี่สิบนะแขนนี่ยกดได้ดูเหมันจะได้อีกข้างนึงก็ใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหมือนเหมือนกับร่างกายมันเสียไปเกือบครึ่งนึงเลยนะใชไ้ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวแต่ก็ความความนิ่งของเขา ความชัดเจนในเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยก็น่าถึงว่าแล้ววันวันหนึ่งคุณปาดดาวบุญเขาทาอะไรบ้างนะทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อทั้งที่เขาป่วยเนี่ยเขายังดูแลคนป่วยได้ด้วยนะดูแลสิกภาพที่ป่วยเนี่ยเขาก็เป็นนะอาสาที่ช่วยดูแลสิกรมาชที่ป่วยนะแล้วก็ช่วยบริการอันมานยังไม่เขาใช้ทงใสเขาใช้เครื่องซักผ้า เสื้อผ้าของพวกปะากาักอะไรเนี่ยเขาก็ให้บริการช่วยซักผ้าได้ด้วยนะแล้วก็พับถุงปุ๋ยเนี่ยวันๆนหนึ่งก็นั่งพับเรียกว่าคนปกติแข็งแรงเนี่ยไปพับสู้เขาไม่ได้กันแล้วกันนะแต่วันวันหนึ่งเนี่ยนะใช้ใช้ส่วนกำลังใช้กำลังส่วนที่เหลือสี่ิเปอร์เซ็นตเนี่ยรับผิดชอบทำอะไรได้มากมายให้กับชุมชนนะแล้วเจ้ายัางเป็นบัจเจนเจ้าหน้าที่สวัสดิการได้อีกด้วย คนอื่นก็เดี๋ยวจะปวดหัว <c ười> คือสิกรรมบ้านเขาก็เป็นห่วงว่าตอนนี้มีคนใหม่ห ม, มาอยู่เยอะถ้าให้ให้คนที่ดุดุมากๆหรืออันนั้มากๆเดี๋ยวคนใหม่ก็จะอยู่กันไม่ได้ก็ต้องคัดเอาคนที่ใจดีที่สุดแล้ ว, ลวมามาช่วยทำหน้าที่เป็นสวัสดิการตรงนี้นะก็ุณป่าดาวบนก็ต้องมาเปเจ้าหน้าที่สวัสดิการด้วยด้วยคือเราไม่น่าเชื่อว่า คนที่มีกําลังเหลือเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจริงๆก็ต้องจัดว่าเป็นคนพิการแล้วละ่ะนะโดยโดยกําหอร์ดนายโดยบุคลิกภาพของเขาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนพิการเนี่ยแต่พลังเหลือเพียงแค่สี่สิเปอร์เซ็น์ของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถทําอะไรให้บริการกับคนในชุมชนได้อย่างมากมายทั้งดูแลคนป่วยทั้งดูแลคนเออช่วยเหลือคนปกตินะรับงานประจําที่ ถ้าไม่พับถุงปุ๋ยเนี่ยก็เป็นงานประจำที่กำลังของเขาเท่าที่เขาจะทำได้เรายังเป็นเจ้าหน้าที่ให้สวัสดิการอะไรต่างได้มากมาย น, นี่ก็เห็นประโยชน์ถึงความอัตมาว่าถ้าจิตไม่นิ่งมากพอเนี่ยเขาก็จะทำอะไรไม่ได้เยอะได้หลายเลื่อนได้หลร า, า, าวอะไรได้มากมายขนาดนีน้นี่ก็เป็นเพราะความนิ่งของเขาเขาก็สามารถดึงเอา กำลังที่เขาแม้เขาจะมีอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยออกมาเป็นประโยชน์ให้กับ เ, เพื่อนนะเพื่อนที่มาร่วมบา ร, รมีของเขาได้อย่างน่าทึ่งแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรตอนนี้ไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเอารถไปส่งนะไปโรงพยาบาลเขาก็ดูจังหวะว่าจะมีรถไปอุทยานตอนไหนนะเขาก็อาศัยไปกับรถที่จะไปอุทยานไปโรงพยาบาล แต่ก่อนก็ต้องมีคนเป็นที่เลี้ยงไปยื่นบัตรไปโทงบัตรนะตอนนี้เขาก็ไปทำเองนะทำเองแล้วเขาก็ภาคภูมิใจว่าถึงแม้สถานการณ์ชีวิตเขาจะไม่ปกติอย่างนี้เนี่ยแต่เขาก็สามารถดาเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติธรรมดานะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นบุญบา ร, รมีของแต่ละคนนะที่แต่ละคนจะได้ สรางขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองซึ่งบางคนบางคนก็อย่างนี้ในชุมชนบุญนจอมของเราเนี่ยคนที่เขาเข้มแข็งเขาก็รู้สึกว่าเขายิ่งดำเนินวิถีชีวิตพึ่งตัวเองเขาได้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของชีวิตนะแต่บางคนที่เข้มแข็งไม่ไม่ไม่พอเนี่ย เขาก็จะเรียกร้องนะตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลยังไงไม่รู้นะคนที่ไม่ค่อยมีบารมีเท่าไหร่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกร้องสูงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะช่วยตรงเนี้ยมันในโลกของความไม่สมดุลนะนะคนที่ไม่ค่อยมีบารมีก็จะเรียกร้องมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมีไม่ค่อยมีใครอยากจะไปช่วยเท่าไหร่นะส่วนคนมีบารมีมากก็ไม่อยากจะให้มีใครไปช่วย แต่ก็มีคนอยากจะไปช่วยมากนะแล้วเขาก็ไม่เรียกร้องอะไรนะเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเมื่อเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเนี่ยเขาก็มีความสุขมากมาอัตบาเอมีเคยมีญาติท ร, รมก็ เ, เป็นมะเร็งที่ที่ปากนะแล้วตอนที่เขาป่วยใหม่ใหมเป็นมะเร็งที่ที่ปากเขาเนี่ยที่ลิ้นหรือปากนี่แหละนะ เขาเขาบอกว่าตอนที่ก็เป็นครั้งแรกเป็นนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครไปเยี่ยมเขาเลยเขามีแต่รูปของพ่อท่านอยู่บนเตียงนอนเขาเท่า น, นั้นเองนะเขาแต่เขาอาศัยที่ความที่เขามีศรัทธามากเนี่ยเขาก็ระลึกแต่พ่อท่านนะว่าพ่อท่านมาช่วยมาคุ้มครองอะไรเนี่ยปรากฏว่าจิตจิต ข, ของเขาที่เขา ระลึกแต่พ่อท่านเนี่ยทำให้เขามีปิติมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้ติดใจว่าใครจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยใจเขาที่เขามีศรัทธาแรงกล้าเนี่ยทำให้เขามีความปิติอะไรขึ้นมาจนมะเร็งที่บุกเขาเนี่ยมันสงบไปนะจนออกจากโรงพยาบาลได้มาใช้ชีวิตแบบปกติได้แต่มาก็เลยให้เขาขึ้นไปเล่าเรื่องบนเวทีให้เห็นถึงพลังของความศรัทธา พลังของธรรมานุภาพว่ามีฤทธิ์นะพอจิตเขาปล่อยวางไม่ต้องมีใครมามาดูแลเราไม่ต้องมีใครมาเยี่ยมเรานะเนขาก็มีพ่อท่านเขาก็เาก็มีจิตที่สงบตั้งมั่นนะมีปิติดูกับความศรัทธาที่เขามีเนี่ยจิตใจเขาสงบแล้วเขาก็มีพลังขึ้นมานะจนขึ้นมาเล่าพญาติธรรมฟัง กับธรรมานุภาพที่เขาสามารถรักษาโรคตัวนี้ได้แต่ว่าพอกลับมาอยู่กับโมอีกครั้งนึงเนี่ยมันมันมันเหมือนกับไอ้ที่เคยเป็นมันกลับมานะพวกนี้มันขึ้นอยู่ภาวะจิตเหมือนกันนะอาตมาดูดูชีวิตจิตดูชีวจิตนะตอนที่เตอร์สาธิตอยู่เนี่ยมีพยาบาลคนนึงถ้าใจตตามอะ่ะเขาก็เป็นบลเลงอาการหนักแล้ว แต่ว่าพอมาใช้ชีวจิตรักษาเนี่ยเขาก็หายขึ้นมาออกทีวีอะไรเนี่ยเป็นขา่าวือฮาชีวจิตดันขึ้นมาทันทีเลยแมาติดตามข่าวอีกปีกว่าๆเนี่ยปรากฏว่าเด็สมอเล่แล้วนะแล้วก็สาเหตุที่สาคัญคือว่าได้ข่าวว่าสาเหตุสาคัญเนี่ยคือว่าสามีของเขาเไปมีภรรยาคนใหม่แล้วนะอย่างนั้นตัวเนี่ยมันทาให้เขาสุดหวบทันทีเลยแล้วก็ ไม่ช้าไม่นานก็ตายนะอย่างนั้นเรื่องของพลังเรื่องของจิตเนี่ยมันเป็นตัวที่กําหนดชะตาชีวิตของเราอย่างมากทีเดียวดัตติธรรมท่านนี้เนี่ยก็ทํานองเดียวกันนะพอกลับมาอยู่กับหมู่แล้วใจที่เขาเคยนิ่งเขามีพลังของศรัทธาที่มากเนี่ยลบมันรู้เป็นเพราะอะไรอาการมันไม่ปกติเนี่ยมันมันก็เหมือนจะกลับมาเขาก็ อยากให้อดัมารู้สึกสัมผัสเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนีรู้สึกว่าเขาก็อยากจะให้พวกเราพาไปโรงพยาบาลที่นี่เขาเป็นแค่ปากของเขาเนี่ยนะถ้าไปหาหมอคนนั้นมาไปหาหมอคนนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้อะไรเนี่ยนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะหายทันทีเลยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจริงจริงเขาเคยนิ่งเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเนี่ยมันพอพอเขาไม่นิ่งแล้วอยากจะไปหาหมออยากไปโน่นไปนี่อะไรต่าง ๆ, ๆนาน า, น า, นานเนี่ย พอเขาไม่นิ่งเนี่ยอาการกรสุดหวพวพวพวบลงไปจนจนไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยจิตก็ไม่สงบเหมือนอย่างเก่าแล้วนะจนไปอยู่โรงพยาบาลแล้วมันกันสุดไปเรื่อยๆนะจนจนอยู่ในลงอยู่ในห้องเนี่ยเขาต้องก็ออกมาข้างนอกเพราะกลิ่นมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะก็สุดท้ายก็เสียชีวิตไปนะเฉะนั้นความความนิ่งของจิตใจ เป็นปัจจัยที่ที่สำคัญเลยนะที่ทําให้เรามีปัญหาหรือเราไม่มีปัญหามีแต่ปัญญาอะไรเนี่ยนะก็ก็ขึ้นอยู่เลยว่าเราจะสามารถที่จะทําจิตของเราให้สงบนิ่งได้มากน้อยแค่ไหนอยากจะทวนนิดนึงนะมางั้นทในภาวะที่นิ่งเนี้ยนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างของคุณป่าดาวบนให้เห็นว่าแม้พลังชีวิตของเขาจะเหลือแค่สี่เซนเนี่ย แต่เขาก็ยังเป็นนะมีพวกเราบอกว่าเป็นดาวอ่ะนะเป็นดาวบุญที่สามารถแถนลังศีไปช่วยทั้งคนปกติคนรอบข้างคนอะไรได้อย่างได้อย่างน่าทึ่งน่าสะใจของพลังชีวิตของเขาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะแต่ก็ยังสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวก็ดังนั้นภาวะที่ ที่เราจะนิ่งนะเราสามารถทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้สมบูรณ์เนี่ยเขาที่แล้วอาจจะมาเริ่มต้นจากการรู้เขารู้เรานะการที่จะรู้เราได้ก็จะต้องนะสามารถที่จะอ่านใจตัวเองได้อันนี้ก็จเป็นประตูแรกเลยนะประตูแรกที่พระท่านพ่อครูบอกว่าจะก้าวสู่ประตูโลกุตัลลานี่ สามารถเข้ามาอ่านใจอ่านจจตติดของตัวเองได้หรือเปล่านะสามารถอ่านเห็นกิเลส ข, ของตัวเองได้หรือเปล่าถ้าอันนี้เนี่ยก้าวเข้ามาไม่ได้เนี่ยก็ก็จะยากละนะแต่การอ่านใจของตัวเองเนี่ยมันมันก็นะมันไม่ง่ายเลยนะดูตัวอย่างง่ายๆว่าจะรู้ว่าใครอ่านใจหรือไม่อ่านใจก็ลองหาใครมาดา่าเราสักคนหนึ่งฮะ ท่านมีคนมาดา่าเราสักคนหนึ่งจะรู้เลยว่าคนนั้นก็จะอ่านใจหรือไม่อ่านใจนะคือเอ่อพวกเราเคยมีเรื่องรล่ากันนะแล้วก็เอ่อพอท่านก็บอกว่านี่แหละนี่แหละทําสอบไล่นะเป็นการสอบไล่คือพูดตําหนิตีเตียงกันแหลพะพอท่านก็บอกว่านี่เป็นโจทย์ให้สอบไล่คนจะสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านปรากฏว่าก็มีคนเราเรื่องที่ยพระท่านพูดเนี่ยไปบอก ย่าดีธรรมที่เขาถูกสอบไล่อะนะถูกคนตนําหนิตีเตียนเนี่ยแต่ในเล่าวันเนี่ยพราจบอกก็ถือว่าสอบไล่นะเขาบอกทันทีเลยว่าผมไม่สง่งไม่สอบอะผมอยากจะเตะมันว่าอย่างไรกันนะนะ <c oughs> คือคือไอ้นี่ก็คือว่าเวลาเวลา ม, มันมีเรื่องกันจริงๆเนี่ยมันมันเห็นได้ว่าการอ่านใจนะมันไม่ได้อ่านนะนะมันจะไปอยู่ที่อยากจะไป จัดการคนนั้นจากจะไปเอาเรื่องเอาเราคนนั้นเาจมามาลองดูว่านะปัจจัยที่ทําให้คนอา่านใจไม่ได้เนี่ยน่าจะมีจากน่าจะมีประมาณหประการด้วยกันนะที่เราไม่สามารถอ่านใจได้หนึ่งด้วความเป็นหนี้นะ่ะอันนี้ก็คือว่านิวรณ์ห้านั่นแหละที่อา่านใจไม่ได้ก็เพราะว่ามีนินวรณ์ห้านะการกามกาฉันทาในพระเจ้านั่นเรียกว่าคือความเป็นหนี้ พยาบาทนี่คือความเป็นโรคนะทินามิธาเนี่ยคือตกอยู่ในเครื่องกองจำอุทจากคุกจาเนี่ยพระเจา้าอุปมาว่าคือความเป็นธาตุนะวิจิกิจฉาเนี่ยเปรียบเสมือนกับการเดินทางไกลกันดาลถ้าคนเราหนึ่งความเป็นหนี้เนี่ยนะไม่ไม่ว่านี่ในนี่ใน กามาคุณท่าในรูปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะนี่เป็นนี่เป็นรูปเป็นหลานมาฟังสมณะท่านเป็นค้าบอดีปมืก่อนเนี่ยกลับไปเยี่ยมครอบครัวปรากฏว่าลูกเต้ามีหลานหลายคนเลยท่านกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาดีใจกันใหญ่นะได้หลานทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่สมณะท่านมองว่าไอเนี่ยคือ เจ้านี้นั่นแหละที่มันออกมาเนี่ยคือเจ้าหนี้ที่จะแต่ว่าคนทั้งโลกเขามองว่าโหดีนะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะแต่ละคนเนี่ยเจ้าหนี้เจ้านายที่เราจะต้องไปรับใช้เขเท่า น, นั้นนั้นพวกเจ้านี้พวกเนี้ยนะอันนี้ยกก็อย่างง่ายๆนะมีลูกมีครอบครัวมีคือบางทีอาจมาดูบังครับเนี่ย เห็นครอบบงังคีบชีวิดในครอบครัวเนี่ยเขก็พาลูกมาวิ่งเล่นตามศาลาเนี่ยเราก็เทียบชีวิตของนักบวชอะนะว่าของเราเนี่ยแค่จิตเราคิดพุ่งไปเหนือไปใต้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแค่นี้เราก็ยุ่งยากแล้วนะแค่ความคิดที่มันพุ่งไปอยู่นอกเหนือการควบคุมเนี่ยเราก็ลำบากแล้วแต่คนที่เขามีลูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดนะมันเป็นน้ําหนักนะ เป็นน้ำหนักสิบกิโลโตขึ้นมาเป็นยี่สิบกิโลเป็นห้าสิบกิโลเป็นเออเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเนี่ยเป็นตัวจริงๆเลยนะแล้วก็โอ้โหมีลธิ์มาเรื่อนี้จะมาดูวันหลังองค์ท่านเอ่อท่านท่านตันติปาโลท่านอัดไว้เขามีลูกส่งไปเรียนเมืองนอกนีไปเรียนประเทศอังกฤษบอกค่าใช้จ่ายแพงก็ยอมทุ่มทั้งหมดเนี่ยที่จะให้ลูกเขา ประสบความลําเร็จได้เป็นนักเรียนเมืองนักเรียนนอกปรากฏว่าลูกเนี่ยไปเล่นเกมก็ติดเกมตแต่เมืองไทยนั่นแหละนะแม่พาไปเดินห้างเห็นลูกลูกผู้ชายควจะเหงาเขบอกเอาลูกไปรอที่ร้านเกมกัน แ, แล้วกันนะลูกก็เริ่มชํานาญขึ้นตั้งแต่เล่นเกมตั้งแต่เมืองไทยพอไปต่างประามมาเทศนะั้นมีพ่อแม่คุมเอาเต็มที่เลยคราวนี้เลิกถ้าจะไม่ได้เรียนเลยนะ โอ้โหพ่อแม่กุ้มใจมากการศึกษาไม่ได้เรียนนะทุดท้ายแล้วก็ต้องเรียกกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็ติดเกมต่อนะมันเป็นชีวิตที่ขนาดพวกเราแวดวงกันพวกเราันเดงันนะเอ่อจะมาถามคือญาติธรรมเน่ยลูกเาลูกเข า, เขาไม่เห็นปกติเวลาตายบาดจะเห็นลูกเขาถามว่าลูกไปไหน ตอนนี้ลูกเขาเป็นสัตว์นรกไปแล้วว่าอย่างนั้นนะทําไมเป็นสัตว์นรกแล้วมันไปติดเกมแล้วเนะี่ยคือคือมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันมันฟังคือโค อ, อกพ่อแม่ที่ลูกไปอย่ากจนควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วลูกนะเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยลูกก็ไม่ได้มีความสุขนะลูกนี่ก็ทุกทรมานจนคิดจะฆ่าตัวตายนะคิดจะฆ่าตัวตายระหว่างที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ย ยได้ยินเสียงพ่อโทรศัพท์มาหาพอดีนะก็เลยโอ้โหมันจะว่าพอดีมากเลยตั้งสติกลับมาได้อันนี้คือเราไปไปยินดีไปพอใจในเรื่องอะไรเนี่ยยินดีมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือความเป็นหนี้มากเท่านั้นนะนี่แค่ยกตัวอย่างเรื่องเกมนะในโลกเนี้ยเรายิ่งไปมีความสุขมากนะมีความสุขมากเท่าไหร่ยินดีเท่าไหร่พอใจมากเท่าไหร่ ก็คือความเป็นนี่ชีวิตอาตมานี่เกิดมาก็โชคดีนะมาทบทวนตัวเองอะเออ ก, ก่อนจะเข้าวัดเราติดอะไรอตาตมาถึงจะมีติดแค่สองอย่างอะ่ะติดฟุตบอลกับติดขนมนะก็มีแค่เนี้สองในชีวิตเนี่ยนะติดขนมตอนออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนเขบอกปฏิบัติรทำยังไงก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยติดขนมมากเลยต้องพยายามเลิกกินขนม ลอยเพื่อนเพื่อนเขางงมากเลยอะไรขนมมันติดยังไงนะมันแตติดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันติดยังไงนะแต่เราเราก็รู้แล้วว่ามันมันกินแล้วมันมันติดนะนะเออยิ่งเอาละจะเข้าวัดแล้วนะเออส่งท้ายนะส่งท้ายให้เปลดมันมหน่อยนะโอ้ส่งท้ายเท่าไหร่กันกลับมาเปลมันมามากเท่านั้นน่ะนะ พอมาอยู่วัดแลส่งให้เป็ดเนี่ยเป็ดมาลบกวนทั้งคืนเลยนขนมนี่ก็ไม่ค่อยขนมเอ่อก็ก็มาสู้ในวัดนะขนมนี่ก็ใช้เวลาที่จะต่อสู้ในวัดแต่ฟุตบอลเนี่ยคําจริงอาดมาเลิกตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะพอะรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมันมันทำให้จิตใจไม่สงบเลยเนี่ยจะเป็นโดยบา ร, รมีส่วนตัวก็ได้มันก็ก็เลิกมา แต่ว่าด้วยความที่ตอนเป็นเด็กมัธยมเนี่ยหอพักอยู่ที่ติดหอพักอยู่ติดัลสนามฟุตบอลมันก็เลยทําให้ตกเย็นก็จะเป็นวิธีชีพเด็ด ต, ตกเย็นก็ต้องเล่นฟุตบอลทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เป็นอารมณ์สนุกสนานจริงๆริง็ไม่ได้เตะฟุตบอลแต่แหละนะแต่มันมันเป็นสนุกสนานได้เฮฮากับเพื่อนนะก็พอพอพอเป็นเอโตขึ้นมาก็เลิกแล้ว ไม่ไม่คิดว่าเราก็เลือกได้ควบคุมมันได้แต่ว่าแม้พอมาบวชแล้วเนี่ยอาตมาก็อ่านใจตัวเองได้ว่าเออพอตกเย็นแล้วเนี่ยมันจะมันจะยังไงไม่รู้มันวุ่นวุ่นยังไงไม่รู้นะมันมันรู้สึกว่ามันอารมณ์มันไม่นิ่งเลยมันมันหวนหงุดหงิดต้องเดินรอบวัดเลยนะหาวิธีใช้เดินจงกรมใช้อะไรช่วยตอนหลังคืนนี้มันเป็นเป็นอรูปแล้ว มันไม่ได้มาเป็นรูปว่าเราอยากจะเตะฟุตบอลอะไรอย่างนั้นนะแต่มันเป็นอารมณ์ที่มันไม่นิ่งเรารู้สึกว่าอารมณ์มันมันไม่สงบมันไม่สบายนะอันนี้ก็คือเราก็จับอารมณ์ของเราที่เราเคยสั่งสมอารมณ์สนุกสนานเฮฮามายาวนานเนี่ยพอพอเรามาสู่วิถีชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเออมีมากวนๆเหมือนกันนะก็ อ, อ่านสภาพจิตของตัวเองอย่างนี้ก็ ไม่เข้าใจแล้วก็ก็ไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้รุนแรงอย่างที่พ่อครูว่ามันไม่ถึงกับขั้นที่ว่าจะลากเราไปเตะฟุตบอลอะไรอย่างนั้นนะนะแต่เป็นเพียงไฟที่มันยังไม่หมดเชื้อแล้วมันก็ทําให้กลุ้นๆขึ้นมานะพอเข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เออเนี่ยก็คือชีวิตแ ต, แต่ละคนเราก็ไม่รู้แหละนะอันนี้ให้ใหใหฝากว่าเรามีนี่มากเนี่ย เราก็จะเข้ามาอ่านใจของเราเนี่ยมันจะยากเหมือนกันตัวเรามันก็จะวิ่งวุ่นไปกับเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่า ง, างนานานะครูจ้าท่านก็บอกว่าจิตที่มันไม่สามารถจิตที่มันมีนิวรณ์ข้อมาเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นนะมันเหมือนน้าที่มันขุ่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยให้เกิดความสมบูรณ์ได้ จิตที่ไม่มีฌานเนี่ยมันก็ดูอะไรวุ่นวายไปหมดแหละหรือแม้แต่ด้วยความเป็นโรคนะคือการอ่านตนเนี่ยมันก็ทำยังไงเราถึงจะมีจิตเข้ามามุ่งเพ่งนะมุ่งเพ่งมองกิเลส ท, ที่ตัวเราแล้วเข้ามาดูใจของเราแต่พอพอมันเกิดโรคเนี่ยพยาบาทนี่คือความเป็นโรคนะ พอเกิดความไม่ชอบใจแม่พอใจเนี่ยแทนที่กําลังใจของเราเนี่ยจะมุ่งเพ่งนะเข้ามามองที่ตัวเรามันก็จะไปมุ่งเพ่งมองที่ตัวเขานะเนี่ยจะเป็นชานหรือเป็นชั่วก็ตรงนี้แหละนะคือถ้ามันมุ่งเพ่งไปมองแต่ตัวเขาจะทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมเขาไม่ดีอย่างนี้ทําไมเขาเลวร้ายอย่างโน้อนอะไรเนี่ยนะ เราจะมีแต่เขาเขาเขาเขาเขาเขาเข า, เขาเนี่ยเราก็เติมลอลิงเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะเราเาก็เขาเนะี่ยเคยคิดแต่เขาเนี่ยเราก็จะเขายิงคิดถึงเขามากๆเราก็เขามากๆนะจริงๆแล้ว ม, มันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยตัวเรากับเขาเนี่ยมันไะม่ได้เกี่ยวกันเลยนะงั้นพอเราไปมุ่งเพ่งคือคือพอความเป็นโรคเนี่ยคือความป่วยแล้ว พอเราไปคิดแต่คนโน้นคนนี้อะไรต่างนานานเนี่ยเราก็สูญเสียพลังงานนะเรามาเคยไปเยี่ยมท่านมนาโปหลการของแมกโครไบโอติกเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องเก็บพลังงานไม่ให้คนป่วยเนี่ยเสียพลังงานนะเขาจะกันไว้เลยว่าถ้าคนนี้มาแล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งคนป่วยเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปเล ย, เยมาแล้วเดี๋ยวไปค น, คนป่วยจะขัดแยง้งนะ เพื่อรักษาพลังงานเอาไว้เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคือเก็บพลังงานไว้ให้ได้มากที่สุดงั้นถ้าจิตของเราไปพุ่งไปเพ่งเล็งแต่เรื่องของเขาเนะเรื่องของกิเลสของเขาเรื่องกิเลสของคนอื่นเนี่ยนี่ก็ไม่มีกำลังเหมือนกันไม่มีกำลังที่จะเข้ามาอ่านใจตัวเองนะนะมันเข้าไม่ได้แตกนะ การอ่านใจตัอใช้กําลังมากระดับหนึ่งเหมือนกันนะโดยดีๆจะเข้ามาอ่านเนี่ยมันไม่อยากใชอาหานหรอกนะมันจะ อ, าอยากจะอ่านกําลังภายในนี่จะง่ายกว่านะแต่ดูของพ่อครูเนี่ยโอ้โหท่านพูดเรื่องจิตเจตสิกอะไรอย่างสนุกมากอย่างมันมากเลยนะหรือเขียนออกมาก็มีแต่เรื่องนะจิตเรื่องภายในเรื่องอะไรต่างๆนานาว่าครูเขียนอย่างมันมากเลยแต่เราอ่านอย่างหนักมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเขาไม่ค่อยเราแต่ อ่าเรื่องช้างเรื่องมา้าเรื่องวัวเรื่องควายมันก็ง่า ย, ายหน่อยใช่ไหมเรื่องรูปธรรมอะไรเนี้ยแต่พอเข้ามาอ่านข้างในงั้นคนที่อ่านหนังสือพราะครูสนุกได้เนี่ยก็คือก็คือสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้จิตเจตติกของตัวเองได้มากขึ้นนหละนะเขาเขจะจะสดุกกับการที่ได้เข้ามาเรียนอภิธรรมได้เรียนจิตใจภายในของตัวเองเอ่อถ้าจิตเราเป็นโรค จิตเรามีความพยาบาทมีความไม่ชอบใจมีความไม่พอใจมากเนี่ยก็ก็จะอ่านตัวเองยากแล้วก็ก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ในพวกเรานี้ก็แปลกนะแต่มาเคยเห็นบางคนนี่ตอนมาตอนมายังไม่ได้ตอนมาอยู่วัดใหม่ๆเนี่ยโอ้ทุกคนจะศรัทธา สมณะศัทธาสิกขมาธิเนะี่ยตอนมาเป็นป่านี่เคยถามเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีจิตที่จะไม่ชอบใจไม่พอใจสมณะสิกขามาต ร, รูปไหนเลยนะศรัทธาหมดทุกรูปอะไรเงี้ยแต่พอมามีวิถีชุดร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหนะถ้าทำร้ายได้อยากจะทำร้ายเลยคือนะ ตอนเห็นกันใหม่ๆนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันจะดูกําลังจะดีไงพลังศรัทธาอะไรจะมากมายแต่พอมาอยู่ร่วมกันจริงๆเนี่ ย, ยสำนักเนี่ยคอยขัดนะเป็นก้างขวาคอเราอยู่เรื่อยเลยนะคอยขัดแยง้งอันนี้ก็จะก็จะเป็นไปได้นะที่พูดถึงว่าพวกเราอยู่ภายในเนี่ยพลังพลังของจิตเราค่อนข้างที่จะ แรงนะคือพวกเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอบายมุกไม่มีปัญหาในเรื่องต้องทํามาหากินงั้นจิตของเราเนี่ยพุ่งไปในเรื่องอะไรเนี่ยจะพุ่งไปแรงมากเลยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพักแค่ทะเลาะ ก, กันเรื่องน้ําติดก้นกะลาเนี่ยนะอีกองหนึ่งว่าเป็นหนาบัดอีกองหนึงว่าไม่เป็นอาบัดเนี่ยแค่เห็นแย้งกันในเรื่องน้ําติดก้นกระลาเนี่ยถึงกับลงไม้ลงไ ม, ลงไม้ลงมือ ทุบตีกันอะไรทุบตีกันอะไในโรงอาหารเลยนะพอดีแล้วพอดีที่ทะเลาะ ก, กันเป็นระดับอาจารย์ด้วยกันทั้งคู่นะอาจารย์ฝ่ายธรมรมะถึกอาจารย์ฝ่ายวินัยทรนนะแค่นี้พออาจารย์อาจารย์ทะเลาะ ก, กันนลูกศิษย์ทั้งวัดก็ไปด้วยกันหมดแล้วนะต่างคนก็ถือหางอาจารย์คนละฝ่ายนะจนจนเรียกว่าไล่ทุบตีกันจนพระเจ้าต้องออกหลักนานาสังวาสมาว่าถ้าพวกเธอมีความเห็นต่างอะต่างแล้วเนี่ยเวลานั่ง ก็ต้องนั่งห่างกันอย่าให้มือยืนนอย่นถึงกันถ้ายืดมือยื่นถึงกันเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะต้องกระห่างกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะก็เห็นว่าบางทีเรื่องมันเล็กนิดเดียวอ่ะนะความเห็นต่างเพียงเรื่องเล็กนิดนี้เล็กนิดเดียวแต่ว่าความคิดที่เป็นหมกมุ่นในเรื่องความเห็นที่ต่างกันเพียงแค่นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะจนพุทธเจ้ามาห้ามก็บอกว่าพุทธเขอพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่สงบสงบนะ อยู่สงบสงบเถิดอะไรเนะ่ยไปพักผ่อนเถิดพวกข้าพองค์ยินดีจะทะเลาะกันต่อไปนะจนพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่กับช้างกับลิงอะไรในปางปางเลไลนะในปางนั้นจนจนเป็นตำนานพุทธประวัติที่ว่าพุทธเจ้าต้องไปอยู่กับช้างกับลิงแทนพวกนี้ก็สุดท้ายเรื่องก็จบตรงที่ว่าชาวบ้านนะพวกนี้โดนชาวบ้านสั่งสอนเพราะว่าทำให้พวกเขาเสียประโยชน์ ทำให้พุทธเจ้าต้องหนีไปชาวบ้านก็นเลิกเลยเลิกใส่บาตรนะผ้าพวกนี้เลยั้งรีบกันไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้ากันใหม่เพราะว่าโดนคว่มบาตรนะชาวบ้านไม่ใส่บาตรให้นะก็เลยต้องโดนอย่างเงี้ยก็เลยพอพอได้ทําได้ขึ้นมาบ้างแต่นี้เล่าให้ฟังว่าดังนั้นในในโลกของในโลกของความคิดเนี่ยนะมันพวกเราเอ๊ตอนอยู่อยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะ แต่พออยู่ในวัดเนี่ยโอ้โหพร้อมที่จะนะฟังมันพร้อมที่จะทำร้ายนักบวชได้ก็เกือบจะทำร้ายแล้วพูดออกมา ก, ก่อนแล้วนะแต่พูดไปบ่อยคนทำร้ายได้จริงๆอ่ะนะก็พออยู่จริงๆทำไมมันเกิดความคิดรุนแรงนะอันนี้ก็คือความเป็นโรคแหละนะจริงๆสิ่งที่เราคิดรุนแรงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทำรลายใครหรอกนะทำรลายตัวเราเองก่อนแะนะนะอารมณ์ที่มันรุนแรงคำพูดที่รุนแรง จริงๆเนี่ยมันก็นี่คือความเป็นโรคอะ่ะมันโรคทําความคิดโรคทางความรุนแรงจริงๆแล้วไม่ได้ทําร้ายใครเลยนะมันทําร้ายตัวเราเองนะนี่เขาบอกว่าก่อนจะเป็นมะเร็งมันเกิดจากมะเร็งทางอารมณ์ก่อนนะมะเร็งทางอารมณ์เนี่มันคุุณคุณคัญหาทางออกไม่ได้ก็ไปลงตับไตไส้พุงม้ามปอดนะ่ะแล้วจาก อ, อารมณ์ขึ้นไปตันก็ค่อยฟักตัวเป็นก้อนเนื้อนอนก้อนเนื้อนี่ ขึ้นมาถ้าเราไม่สกัดจากทางอารมณ์ก่อนเนี่ยมันก็พัฒนาเป็นเป็นข้อนเนื้อเป็นเนื้อลายได้จริงๆงั้นพยาบาลเนี่ยอันมาคิดว่าเพราะครูพยัญจย์ย้ำเอาเราไว้ก่อนว่าสิ่งแรกเลยที่ค i c k it ดคลิกอเอาเนี่จัดการโยนนันออกไปได้เลยคือความอารมณ์ความไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรพวกเนี้ยมันไม่ควรเก็บเอาไว้เลย มันคือจะนำไปสู่โรคภัยไข่เจ็บนะที่พ่อครูยกตัวอย่างแม่ประณีที่เชียงใหม่เนี่ยอาตมารู้สึกว่าถ้าทําสัมผัสกับเขาเนี่ยคุยกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นอารมณ์ปิตินะอารมณ์ของเขาที่มีความสุขมากๆที่ได้มาช่วยชีวิตสัตว์นี่ที่เขาได้กินมังสวิรัตแล้วก็ได้มาช่วยงานพระโพธิสัตว์นะที่ได้มาช่วยงานชมรอเชียงใหม่คือเราจะเห็นถึงอารมณ์ปิติ ทานชีวิตของเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมานะงั้นถ้าคนเราไม่มีไม่มีสารถูกไม่มีสารสุขกะนะมีแต่สารทุกนะมันก็เป็นตัวตัวไม่ชอบใจตัวพยาบาทพระเจ้าจึางเรียกว่าอันนี้คือความเป็นโรคถ้ามีพยาบาทตรงนี้ก็ไม่มีกําลังที่จะไปอ่านใจอย่างที่บอกนะอ่านใจนี่มันโอโ้โหใช้กําลังมากนะมันไม่ใช่อยากจะอ่านไงกลับมาอ่านง่ายๆเลยอ่านหนังสือยังง่ายกว่าอ่านใจทั้งเยอะนะ ถนะ้ไปเจอไปเจอไปมีหนี้ไปมีโรคนะไปตกอยู่ในเครื่องจองจำนะทินามิตาท่านเปรียบไว้ว่าเครื่องจองจำเรนะาจมาดูลักษณะโรคตัวนี้นะอาจอาจะสื่อในยับยาบมนะ่อทินามิธาเนี่ย ถ้าอย่างในในพวกเราเนี่ยมันก็เหมือนกับคนตกพบไปจมอยู่กับพบเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอินอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนเครื่องจองจําเหมือนกันคือวันคืนไม่ได้คิดเรื่องอะไรคิดแต่เรื่ อ, ง, องที่เราอยู่ในอินอยู่ในเรื่องนั้นตกไปอยู่ในพบเรื่องนั้นใครจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่สนใจอ่ะฉันก็อยู่กับเรื่องนั้นนะเราและพวกเราก็มีพบเป็นทั้งช่วงเนี่ย โดยเฉพาะพวกที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยนะเดี๋ยวกระแสตรงนี้มาปุ๊บเดี๋ยวก็อินไปขึ้นเรื่องนี้แล้วนะวันคืนก็อย่างอ่าตอนนี้พูดดีท็อกได้นะเพราะว่าไม่ได้อินแล้วนะตอนยกตัวอย่างไอ้ที่มันไม่กระทบกับพวกเราหน่อยแต่ก็ดูมาเป็นช่วงๆนะตอนนี้มันมาเป็นช่วงตอนนี้เอาไม่พูดแล้วพูดแล้วเดี๋ยวไปกระทบกั น, นเอาพูดในอดีตนะก็ไหมถ้าเราจะเห็นได้ว่าพอเราอินไปเรื่องดีท็อกเนี่ยโอ้โหก็จะ ก็จะเฝ้าอยู่กันแต่ดีท็อกนะจนจำได้มีงานบุกเฟคครั้งนึงนี่ส้วมแตกกลางวัดเลยนะเพราะว่าดีท็อกกันจนส้วมมันเต็มต้องหารถ ด, ด, ด่ดนส้วมมาดูดกันกลางงานเลยนะเออแล้วพวกเราก็มีอุปทานบอกว่าต้องทำดีท็อกเนี่ยให้ลำไส้มันขาวเหมือนกับฟันเลยนะเออ ปลาใส่มันขาวเอาทาคนที่ทำานี่ก็นั่งเพ่งเรงยาดีทอกอย่างเดียวอะนะความจริงอรตมาธมาพยายามทวงเน่ยทวงๆวงกระแส ต, ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมีส่วนดีแต่ธารมาเห็นอย่างหนึ่งว่าพอเวลากระแสแต่และเรื่องเข้ามาเนี่ยมันทำให้พวกเราลืมหลักการเรื่องเจ็ดอแปดอนะ เราจะไปเพ่งเล็งกล้าดูกับเออพบตัวนั้นเรื่องตรงนั้นนะก็จะอินอยู่กับเรื่องอะไรก็จะไปมุ่งเพ่งเล็งอยู่กับตรงนั้นนะพอเขาบอกมีอะไรดีปุ๊บเนี่ยพวกเราก็จะไปไปอยู่ตรงนั้นแล้วคิดว่าไอ้สิ่งพิเศษนั้นน่ะมันจะทำให้เราเนี่ยหายขึ้นมานะแต่ธรรมมาประสบการณ์ในฐานะที่เป็นคนป่วยเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราไม่มีเชื้อโรคอะไรเนี่ยมันมันต้องกลับมาทบทวนเจ็ดอแปดอของเราเนี่ยเห็นได้ว่าคนของพวกเราที่ป่วยๆกันเนี่ยใครใชย้ยึดได้ใกล้เคียงเอาเจ็ดอแปดอมาใช้ได้มากเท่าไหร่สุขภาพก็กลับมาเป็นปกติได้มากเท่านั้นอย่างแต่ว่าแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็ยากเหมือนกันนะพอเราป่วยเนี่ยพอเราเสียความสมดุลทางร่างกาย มันก็จะความเสียความสมดุลทางจิตใจก็จะตามมางั้นความเชื่อมั่นความมั่นใจก็จะลดลงไปสุขภาพสูญเสียสุขภาพเสียความสมดุลมากเท่าไหร่จิตใจก็จะเสียความสมดุลตามไป ด, ด้วยอย่างคุณปาดาวบนเนี่ยเขาก็บอกนะพอเขาป่วยใหม่ๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลาห้าปีนะห้าปีในการที่จะฟื้นจิตใจที่เราก็นึกถึงคนที่ เหมือนกับเคยรบทัพจับศึกทํางานอะไรได้แข็งแรงมาตลอดเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมันเหมือนกับเป็นคนพิการโดยฉับพันทันใดเลยเนี่ยโอ้โหเคินคนที่เคยช่วยคนอื่นมาตลอดแล้วต้องอยู่ในฐานะที่คนอื่นมาช่วยเราเนี่ยทําใจของเขาเนี่ยเขาบอกเขาใช้เวลาห้าปีเหมือนกันที่จะมานิ่งแล้วก็ตั้งหลักแล้วสามารถที่จะใช้ส่วนชีวิตส่วนที่เหลือให้เป็นประโยชน์คนอื่นได้ในพวกเราเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะมันไม่แน่ แต่มาไปนั่นเดียวโศกเนี่ยท่านดงเย็นอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่โอ้โหท่านดูแลสุขภาพของท่านดีมากนะท่านบอกตื่นทีสองมาออกกําลังกายแล้ววันหนึ่งออกกําลังกายสี่ครั้งนะเออทีสองครั้งหนึ่งแต่บินทบาตกลับมาก็ยังมาเดินอีกนะเดินอีกเป็นชั่วโมงกลางวันเย็นอะไรวันนึงก็สามสี่ครั้งเนี่ยท่านเล่าให้ฟังดูท่าออกกาลังกายของท่านเนี่ย คนเจ็ดสิบอย่างท่านใช้ท่าโหนตัวเนี่ยปกติโหนตัวเนี่ยต้องเอโหนเนี่ยมันก็ต้องใช้แขนเนี่ยดึงแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปแต่ของท่านทําแบบทหารน่ะคือหันหันแขนออกหันแขนออกข้างหน้าแล้วก็ดึงตัวขึ้นขนาดหันเข้าเนี่ยมาครั้งเดียวยังแย่แล้วแต่ของท่านนี่หันออกด้วยนะแล้วดึงขึ้นดึงลงนะยี่สิบยี่สิบครั้งแต่ทําให้า ม, มาดูเนี่ยโอ้โหวัยเจ็ดสิบ วัยเจ็ดสิบกว่าตอนนี้เจ็ดิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดวัยเจะดสิบกว่าเนี่ยสามารถทําได้ขนาดเนี้ยร่างกายแข็งแรงมากเลยแต่อยู่ดีๆเส้นเลือดในสมองติบนะไอ้ที่เคยแข็งแรงแล้วไว้หมดเลยเนี่ยมันหายหมดเลยนะกลายเป็นคนเหมือนกับหมดสมรรถภาพไปในตัวเลยนะอยงั้นตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นหนึ่งว่าท่านดูแลสุขภาพของท่านเนี่ย ไม่มีใครที่จะดูแลสุขภาพเรียกว่าล็อกทุกอย่างไว้แป๊ะแป๊ะแ ป, ป, ปหกโมงเย็นปุ๊บพระที่จะตกดินไม่ไม่ตกดินไม่สนใจการกดนอนทันทีเลยนะเรียกว่าท่านจะแซวพวกนอนดึกอยู่เรื่อยว่าระวังธรรมชาติจะลงโทษนะของท่านหกโมงเย็นปุ๊บการกดนอนเลยพระอทิตย์บางทียังไม่ยอมยังไม่ตกดินเลยนะท่านนอนได้นะของเราเนี่โอ้นะบางทีเดึกๆก็ยังไม่ยอมหลับกัน แตงท่านในชีวิตเนี่ยล็อกๆๆอ ก, อ ก, อ ก, อกไม่หมดเลยแต่ถึงข่าววิบากมาอะไรมาเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะงั้นเป็นเรื่องที่อันนี้เออฟังคุณป้าดาวบนแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเตรียมใจถึงความไม่เที่ยงของสังขารมือนกันนะว่าเออคนเราจะทำใจได้ยากไหมแต่ก่อนี้เราเคยเหมือนกับเป็นคนในฐานะที่ช่วยคนอื่นมาตลอด เราจะให้คนอื่นช่วยบ้างเนี่ยแต่มาว่าถ้าคนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ยืดหยุ่นเป็นเนี่ยก็จะทำใจยากมันกันนะนนี้ก็ความไม่เที่ยงนะงั้นเครื่องตรงจำเนี่ยเวลาตกพบเนี่ยนะเวลาเราจะสังเกตได้ง่ายว่าคนตกพบเป็นยังไงคนตกพบก็คือคนที่ มันมันมันไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนเพื่อนได้ง่ายๆนะจะเป็นคนที่เอคือเขาก็จะอยู่ในเขาก็จะอยู่ในโลกของเขาอ่ะนะจะไม่สามารถที่จะจะพูดด้วยเนี่ยต้องคิดกันก่อนนะจะไปหาทางเข้าไปได้ยังไงต้องพูดในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็คือจมไปอยู่ในภบงั้นคนที่อยู่ในภบเนี่ยก็จะอ่านใจตัวเองยากเหมือนกันมาเคยเห็นพวกเรา เอแต่บางทีอยู่ในพบเขาก็เข้าใจว่าตัวเองเ อ, อ, ยงงอย่างบางคนที่ติดดีท็อกเนี่ยก็จะพูดประโยชน์อันนี้ของดีท็อกอะไรได้เยอะแยะมากมายนะพูดถึงว่าดีท็อกทําให้ได้ลดกิเลสได้อะไรเยอะแยะนะมันเหมือนอานใจตัวเองได้นะแถวว่าก็อานใจแบบอานใจยอยู่ในพบของตัวเองนั่นแหละมันไม่เป็นสากลอะไรได้เท่าไหร่นะงนนั้นเป็นมันไม่เป็นสแตนดาร์ด ไม่เป็นเครื่องสากลที่ใจนั้นขึ้นมาได้งั้นพ่ะครูถึงบอกว่าพวกลือศีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้จะบําเพ็ญสันโดดมักน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่จะเอามาถือว่าเป็นมีอริยคุณอะไรเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่เป็นสากลมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนก็บรรลุอิท่าไหนมากันไม่รู้นะบางคนก็ไปดั่งอยู่ปากเขีวแล้วก็ไปคิดละตัวละตนอยู่ปากเขีวนั่นะนะนะแล้วก็ ดีมดีก็เข้าใจว่าตัวเองบมดตัวหมดตนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะงี้เป็นเรื่องอะไรมโนมยตานะที่แต่ละคนไปปั้นไปนั่นขึ้นมามันไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นสากลนได้พวกเราอรรมมาว่าในความเป็นนี่ก็พอเห็นชัดในความเป็นโรคก็พอเห็นชัดในตกอยู่ในเครื่องกองจําตกอยู่ในพบของตัวเองเนี่ยเราก็พอเห็นชัด คือเห็นคนอื่นชัดนะแต่เห็นตัวเองชัดชัดหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันเราพวกนี้มันเป็นเห็นคนอื่นชัดชัดมากเลยแต่ว่าอพอตัวเองเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเราตัวเองเห็นตัวเองชัดไหมแต่อันนี้ที่รู้ได้ยากคือความเป็นธาตุเนี่ยอุทะจักกุกุจักเนี่ยนะคือจิตที่ฟุง้งนะเป็นธาตุเนี่ยคือเวลามันคิดอะไรเนี่ยมันเอาจริงเอาจังไปกับความคิดของเราอยู่ตลอดเวลา นะคือความเป็นธาตุน่ะอาตมาเคยพยายามจะบันทึกนะพยายามจะบันทึกเอ้ความคิดที่มันหลอกเราเนี่ยน่ะเดี๋ยวก็มันมันเวลามันคิดเนี่ยมันเหมือนจะเพลงที่ก็าร้องอ่ะเออจะอะไรเตะทายสักเตะสักมังกรเจ็ดหัวน่ะพูดคุยเรื่องยักษ์สักมังกรเจดหัวเวลาคิดเนี่ยคิดมังกรเจ็ดหัวเลยน่ะแต่พอสักจริงจเอาแค่หัวเดียวก็พอน่ะ สุดท้ายเอาแค่หนวดก็พอน ะ, น ะ, ะพอะของจริงๆเนี่ยตอนคิดมันคิดมังกรเจ็หัวนะแต่ของจริงๆเนี่ยเหลือแค่หนวดนะเหลือแค่เอาแค่ไส่เดือนก็พอไม่ต้องมักงกรเจ็หัวก็ได้นะงั้นในโลกของความคิดกับความเป็นจริงเนี่ยมันจะห่างกันมากเลยแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันอุทจฉะนะที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะทําให้เรา ไปตามความคิดของเร า, าเแม้อดัมานี่ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่พยายามต้องต้องทอย่างมากเลยคือพยายามจัดสรรความสมดุนลนะนะมันยังไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เป็นโลกเนี่ยแพอย่างเงี้ยฝนฟ้าตกเนี่ยเครื่องมันจะอดัมรู้สึกว่าจะทำงานเชื่อมโยงกับกลมุตุนิยมิทธนะ พอเหมาะสมจะมาเนี่ยเครื่องแต่มาจะล้วนกันเลยนะในก็รต้องจัดสรรระหว่างความสมดุลกับเอ่อกับของวิถีชีวิตกับการงานเนี่ยนะก็รู้แหลวแต่มันทําไม่ค่อยได้นะหมอพจน์เขาบอกว่าพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอายุมากเท่าไหร่งานมันก็อยู่แค่อยู่แค่โต๊ะเนี่ยนะอยู่งานเป็นั่งเขียนนั่งพูดก็นั่งทําอะไรอยู่บนโต๊ะเนี่ยแหละตอนที่อายุ เลยี่สิบกว่าเงี้ยงานก็ยังไปขนไปแบกไปหามนะแต่พอยุยุมากแล้วก็นั่งนั่งกับนั่งกับนั่งไปตอนนั้นเดงงั้นภาวงความไม่สมดุลเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องพยายามคอยคอยอ่านนะคืออ่านนะคอยดูความคิดของเราอย่างบางทีอย่างอ ย, อออยู่เราอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยอากาศจะดีมาก อากาศจะดีมากเนี่ยเพราะตอนตีหนึ่งตีสองมันจะรู้สึกว่าร่างกายพอแล้วก็เห็นพวกเราคุยกันนะ่ะนะพอเที่ที่นี่โอ้โหอากาศดีตีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาได้ตีสองก็ลุกขึ้นมาได้นะแต่สมาชิกเชื่อว่าพวกเราไม่พอหรอกนะเพราะพวกเราทํางานกันทั้งวันนะตีหนึ่งตีสองนะเห็นพวกเราคุยทำมากกันเนี่ยนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะเต็งเงาเมื่อไหร่คุยกันเลยนะดีๆคุยกันยันสว่างนะ แต่ตัเนี้ยตมาว่าถ้าตัวตมาอย่างเนี้ยอตมาจะพยายามนะรู้เท่าทันความคิดนะพอมันมาคือเราเราก็จะประมาณนะประมาณว่าถ้ามันมันมาผิดเวลาเนี่ยคิดดียังไงตมาก็ไล่มันออกไปก่อนนะคือมันคิดดียังไงก็ไม่เอามามันผิดการลาเทสะความคิดเนี่ยนะมันไม่รู้จักการลาเทศะช่วงเวลาเนี้ยมันควรจะหลับนอนพักผ่อนคือถ้าไปกับมันแล้วมันจะพาเราเที่ยวไปไกลเลยอย่างนั้น ถ้ามาปุ๊บนี่ได้ดีเยี่ยมยังไงก็ไปไปไปไปเดี๋ยวมากวนนะผิดกาลาเทศะนะคือคือก็พยายามจะรู้เท่าทันมันนะชีวิตเรายิ่งไม่สมดุลเนี่ยไอ้ความคิดตันก็จะเข้ามาเยอะนะถ้ามันสมดุลเนี่ยมันก็จะหลับสนิทแล้วก็หลับลึกแล้วก็หลับไปยาวแต่พอไม่ยิ่งไม่สมดุลเนี่ยไอ้ความคิดที่จะความคิดที่จะนํามาแห่งความยึดถือเนี่ยยิ่งจะเข้ามามาก เดี๋ยวเรื่องนี้นก็จะเข้ามาเรื่องนี้ก็จะเข้ามาน่ะา ม, านะมันจะเข้ามาเยอะแล้วมันก็ทำให้เราคืออาตมาพยายามมองในแง่งคามงา น, งานความสมดุลว่าถ้าชีวิตเราไม่สมดุลเนี่ยความคิดมันดียังไงมันก็ถ้ามันนำมาถึงความไม่สมดุลแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ควรเอาไว้เท่าไหร่หรอกนะ่ะไปไปคิดไปแล้วมันก็จะทาให้เรายึดถือแล้วที่กับหมูเยอะเนี่ยนะ่ะ ก็จะพย า, าพยามประบานจะพยายามในในฐานะขอตมาเนี่ยจะพยายามคิดให้มันน้อยที่สุดนะ่ะอย่าไปอย่าไปทุติยมปินะเอาแค่แวบเดียวก็พอถ้าทุติยมปีเดี๋ยวจะตอบย้ำนะเดี๋ยวเวลามาพูดกับโบดเนี่ยจะมีน้ำหนักมากดังนั้นจะต้องพยายามทําความคิดของเราให้มันน้อยที่สุดนะแล้วก็มาพูดดูจะส่งทัญญาณไปแล้วไม่มีใครเอาก็เอเอสบายเรานะ คือส่งกัญญาไปแล้วไม่มีใครรับเนี่ยก็ก็ความคิดเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหคิดจนสว่างคาตาเลยนะคิดจนสว่างคาตาจนบางคนก็แซวบอกว่ามาประชุมเนี่ยจริงๆมันมีคําตอบคําตอบมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วคำตอบมาจากที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะมาที่ประชุมให้มารับรองความคิดของตัวเองเท่านั้นเองนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันกันเนี่ยก็คือเนี่ย ค, คือความเป็นทาสนะนะ เป็นธาตุของความคิดความคิดมันวิ่งไปเยอะแยะมากมายนะจริงๆแล้วเนี่ยแตมาที่ที่บอกว่าจะบันทึกเนี่ยแต่บานรู้สึกว่าไอ้ความคิดเราเนี่ยบางทีพระเจ้าท่านแช่ศั์คำว่าสังขารนะเวลาคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาท่านก็นเรียกว่าสังขารตัวสังขารเนี่ยท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับหยวกกล้วยนะเหมือนกับบุรุษไปหา ต้องการไม้ที่มีแก่นแต่บุรุษเนี่ยเขไม่รู้จักต้นไม้ที่มีแก่นว่าเป็นต้นอะไรเขาไปเจอต้นกล้วยเขาก็ไปตัดเอาต้นกล้วยกลับมานะกลับมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บเขาก็ปอกกาบแต่ละกาบแต่ละกาบออกคิดว่ามีแก่นแต่สุดท้ายทิ่งที่เขาพบก็คือดวกกล้วยแท้ๆนะอย่างนั้นเรามาก็จะเวลาความคิดมันหลอกแต่ละครั้งก็จะ น่ะนึกสนำหน้ามาน่ะโทรไอ้หยวกกล้วยอย่างเงี้ยนะเห็นได้ความคิดได้ว่าเวลาคิดมันคิดเป็นเพชรเป็นทองเป็นอะไรจริงๆนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหยวกกล้วยมันหลอกเราความคิดมันหลอกแล้วหลอกอีกหลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่านะอย่างนั้นทุกวันนี้เนี่ยถึงหนึ่งที่อยากจะนัานำเสนอคือว่าเมื่อเรามีวิถีชีวิตทางวัตถุเนี่ยเป็นสาธารณะโพกีแล้วก็น่าจะให้มี ความคิดเนี่ยเป็นสาธารณโพคีด้วยนะพยายามไม่ให้มีความคิดเนี่ยเป็นสาธารณโภคีด้วยคืออย่าไปเอาแต่ความคิดของเราอย่างเดียวอะ่ะนะแล้วอย่างที่บอกกนะั่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคิดแค่แวบเดียวก็พอนะถ้ามันดีเนี่ยคนอื่นก็จะรับช่วงต่อถ้าไม่ดีเราก็ไม่เสียพลังงานมากนะก็ไม่ต้องไปคิดเยอะอธิบายเหตุผลเยอะบอกคนอื่นมากว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้อะไรเนี่ย จริงๆทุกคนเขาก็มีปัญญากันกันทั้งนั้นแหละนะงั้นเอามานําเสนอทักทิสหน่อยดูที่ว่าใครจะเอาไม่เอาแต่จะมาต้องระมัดระวังนะพอจะมาเหมือนกับคนใหญ่เขาให้นั่งเป็นประธานนะนะถ้าประธานพูดเองกัเยอะเลยี่มันจะยุ่งมากเลยนะถ้ามีเหตุผลหวานล้อมหรือว่านําเสนอคนอื่นเยอะเลยเนี่ยคนอื่นก็ทุดท้ายกมาเป็นพานดับนะก็แย่เสิรอย่เสิรอ์อย่างเดียวอะนะ ก็ต้องขอรับขอรับผมอย่างเดียวงั้นประธานมาในธนประญานเนี่ก็จะต้องพยายามที่จะให้มันมีความคิดน้อยไว้นะแล้วก็คือก็คิดว่าถ้ามันของดีเปนอย่างพ่อครูพูดเนี่ยที่เมื่อวานที่บอกว่าคอสชอเอเขาไม่เอาธรร ม, มะไปแก้ปัญหาเลยนั่นะยังเขาพูดถึงเรื่องปา่าขอรับชั้นเรื่องแรงต่างนาน า, นานเนี่ย แต่เมื่อคืนนี้อย่างที่เมื่อคืนนี้ที่พูดบอกว่าจะปรับคอร์รัปชันจะสร้างอุดมการณ์ยังไงก็ตามทีเถอะแต่ถ้ามันไม่เน้นเรื่องการมีคุณธรรมเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหล่างเนี่ยก็เจอปัญหาทับซ้อนไม่ใช่น้อยก็เพราะว่าเขาไม่สามารถปลูกฝังคุณธรรมได้แต่พ่อครูก็บอกว่าเขาไม่เอาก็ไม่เป็นอะไรเพราะถ้าเราเชื่อว่าสัาจธรรมของเราดีเนี่ย ถ้าเราเชื่อว่าของเราดีจริงเนี่ยเขาก็ต้องมาเอาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาเอาเนี่ยเพราะว่าเราดีมันยังไม่มากพองั้นเราต้องทําดีให้มากพอดังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่เห็นได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ความคิดนไม่ได้เสียแรงอะไรมากแค่คิดเฉยมันคิดได้เยอะแยะงั้ไม่ได้เสียพลังงานอะไรมากก็ไม่ก็ไม่เอาก็ไม่เห็นจะเป็นไรดังนั้นคนที่ ยึดมั่นเอาเป็นเอาตายกับความคิดคิดร้อยเรื่องก็จะเอาเอาทั้งร้อยเรื่องเลยนะคำจริงเนี่ยอาตมาจริงๆอาตมาเป็นนักคิดเหมือนกันแต่จริงๆจะเห็นได้ว่าเราทำงานความคิดเนี่ยเราคิดร้อยเรื่องบางทีเราเอามาแค่เรื่องเดียวนะมันต้องกัดกรองว่าใช่ได้ใช้ไม่ได้นะมันไม่ใช่คิดร้อยเรื่องอุทจารขึ้นมาปุ๊บเอาเลยอุทจามาเรื่องนี้ปุ๊บเอาเลยอุทจารมาก็าเอาเลยตายเลยเนี่ย วิ่งตามความคิดของตัวเองอะมันเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะอย่างงั้นแค่เป็นท่าธเธอกับทาาความคิดเนี่ยไหนมันเหนื่อยกว่ากันไม่รู้แต่เป็นท่าเธอเนี่ยนานพบกันทีไว้เท่าไหร่แต่เป็นทาาความคิดเนี่ยเราต้องอยู่กับความคิดที่มันวิ่งเข้ามานะวิ่งออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าเราไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันมากเนี่ยก็ก็ก็น่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน อันนี้ทำยังไงจะมองให้เห็นได้ว่าการปล่อยให้จิตของเราอุทธธจักกุกุจาก่จาเนี่ยอันนี้ก็คือความเป็นาธาตุนะเป็นาธาตุของความคิดซึ่งจริงๆมันเราอยู่กับพ่อครูเนี่ยท่า น, นมาว่านะอยู่กับพ่อครูเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเท่าไหร่หรอกนะเพราะพ่อครูคิดให้หมดแล้วนะ่ะมีอะไรท่านก็บอกนะพ่อสั่งลุยก็ลุยตามพ่อบอกเท่านั้นเองนะ่ะมันไม่มี ไม่มีปัญหาเลยแค่ทำตามพ่อบอกนี่ก็โอ้ยทำตามไม่ทันแล้วทำมานะเวลาคุยกับพวกเราที่ช่วยกันทางานทุกวันนี้นะโอ้โหมันเป็นเหนื่อยมเมนื่อยเร้ามากเลยนะแล้วก็เอาตามตามที่พ่อท่านพ่อท่า น, พ, านพ่อสั่งลุยเนี่ยแค่นี้ก็งานก็เยอะแยะมากมายในบาไมน ไ, ไหวไม่ต้องไปเสียเวลาคิดอะไรเลยนะเอาเวลามาอ่านใจคิดถึงกิเลสของตัวเองให้มาก และสุดท้ายก็คือกำลังกาลังเราไม่สามารถที่จะเข้ามาอ่านใจตัวเองได้คือวิกิจรฉาเหมือนกันเดินทางไกลกันดานมันมันก็เป็นสภาพที่อาตมารู้สึกว่าพอมันเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่ไม่มีความมั่นใจอะไรจิตมันไม่มีกำลัง จิตขอคนที่ไม่มีกําลังเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเราได้อะไรนะบางทีงพวกเราทํางา น, เ, นเหนื่อยๆกันแล้ว เ, เราก็ไม่ได้มีเวลาทบทวนเนี่ยนะมันก็เหมือนกับตัวเองไม่ได้อะไรมาถูกทางหรือเปล่าอะไรจิตพอราพอจิตไม่มีกําลังเนี่ยความลังเลยสงสัยอะไรมันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นสภาพของคนที่จะไปอ่านใจได้ มันก็ไม่ง่ายทีเดียวแต่มันเป็นประตูสำคัญที่จะเดินทางเข้าสู่โลกุตละนะตัวเป็นนี่ตัวเป็นโรคตัวตกอยู่ในเครื่องจองจำนะตัวตกเป็นธาตุแล้วก็ต้องเหมือนกับโหมมันอยู่ในอยู่มันในอบอุ่นเลยนะมันอยู่ในสภาสภาธาตุสภาวะที่น่าสะพึงกลัวอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้จิตของเราไม่มีกำลังที่จะเข้ามา อ่านตัวเองได้โอ้โหธรรมาจัดสรรเวลาไม่ดีเลยนะแค่พูดตัวนี้พึ่งพึ่งทบทวนข้อแรกแค่นั้นนะรู้เขารู้เราอันนี้ไม่ไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่ทบทวนอะไรมากแล้วรู้เป้าหมายชีวิตที่รู้เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะมาฟันพวกเราเคยตอบไปว่าที่มาเรียนบอลบอเนี่ยเพื่อต้องการที่จะรู้เป้าหมายชีวิตที่ชัด ไปสู่ความศูนย์เพราะท่านเน้นว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเทวนิยมนะไม่ใช่ปรมาตามันไม่ใช่อัตามันนะแต่เป็นศูนย์ไปสู่ความศูนย์ความเล็กมันอัตมาตอนนั้นตอนที่เกิดเรื่องวิวาทะตอนที่ธรรมกายเปิดประเด็นมาว่าพระเจ้าสอนเรื่องอัตตาเนี่ยก็ฟัง ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่เขานับถือศาสนาคริสดูเหมือนเขาจะเป็นคนก่อตั้งมหาวิทยาลัยชีวิตอะไรเนี่ยนะแต่ลืมชื่อาแต่เขาต้องถือศาสนาคริสเนี่ยเขาก็เขียนมาบรรยายเขาก็เขียนในบทความก็ได้ ว, ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเน้นเรื่องอนัตตาคือเห็นได้ว่าแสดงว่าคริสเนี่ยเขาก็เข้าใจได้ในเรื่องอนัตตาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่า อาตมาคิดว่าความเข้าใจเนี่ยมันสามารถทําความเข้าใจได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือเราเห็นได้ว่าการที่จะลดอัตราเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะอาตมาเคย เ, เคยมีพวกซิสเตอร์นะนักบวชคริสฝ่ายหญิงเขาเรียกซิสเตอร์ฝ่ายชายเขาเรียกบราเดอร์นะพวกซิสเตอร์เนี่ยเขเคยมาฟังทำเพราะท่านเพราะท่านอธิบายลึก พระเจ้าเนี่คือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะอธิบายจนกระทั่งถึงความหมดกิเลสถึงไม่มีตัวไม่มีตนนะฟังแล้วก็น่าทึ่งเขาสามารถเข้าใจได้หมดเลยนะว่าพระเจ้าไม่ได้หยุดนอกตัวนอกตนอยู่ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณที่สะอาดที่บริสุทธิ์อธิบายจนจบจนบริบูรณ์เลยอนะ่ะฟังแล้วเขาเข้าใจแต่พอเขากลับไปพระท่านก็ตะลุไยฟังว่าประมาณเล่าฟังว่าโห่น่าทึ่งคือ เด่ประานวันหน้าทึงจริงๆริงนี้ทิงที่ประธานแสดงไปเนี่ยเขาสามารถเข้าใจได้แต่พระธานก็บอกอาตมาว่าเขาเข้าใจได้แต่เขาก็ไม่เอาหรอกนะที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าเขามีบรลลังมีฐานะที่เขาอยู่ดีมีสุขนะมีอยู่ดีมีสุขได้รับความนับถือได้รับความเชื่อถือถูกสบายเขาอยู่แล้วเขาจะมาอยู่ลําบากยากเข็นอย่างพวกเราเขาก็ไม่เอาหรอกนะ ดนะูอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นบางทีความเข้าใจในมนุษย์สามารถทําความเข้าใจได้แต่ความจริงๆเนี่ยอัตมาว่าอย่างพวกเราเนี่ยบอกเป็นศาสนาพุทธเป็นอนัตตาเนี่ยนะแต่เราบอกว่าเอเ อ, เอลองลองช่วยๆกันลดอัตตาหน่อยได้ไหมนะคือคณคนดีคุณแน่คุณยอดคุณเยี่ยมนะคนอะไรที่แน่วิเศษ เก่งยอดเยี่ยมทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมันบางทีมันจะไปจะไปทิ้งยังไงชีวิตของคนเราบางคนเนี่ยเขาได้ดีมาเพราะเพราะความเก่งยอดเยี่ยมแน่พิเศษของเขามาหัวใอเรืองหรือเขาหัวไอเรื่องที่ทําให้ตัวเขาได้ดีมาทุกวันเนี่ยแล้วจะบอกให้เขาทิ้งหัวไอเรืองนะทิ้งความเก่งความสุดยอดความแน่ความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยนะจะไปทิ้งยังไงเพราะว่าสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ สร้างเข้ามาทั้งชีวิตนะอย่างนั้นน่ะจึงเห็นบางคนบางคนเอ่อพอแต่ก่อนเคยมีครูบ้านนอกนะเขาเป็นครูบ้านนอกที่ไปทํางานทําการเนี่ยได้รับการยอมรับทั้งอําเภอเลยนะเป็นครูดีเด่นได้รับรางวัลมากมาย <c oughs> สุดท้ายพอเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาบอกไปไม่ถูกเลยนะพอมาอยู่ในระบบวัดเนี่ยมันเหมือนกับ ทำลายศักยภาพสมรรถภาพของเขาเนี่ยหมดเลยจนเขาทาอะไรไม่ถูกเลยนะจนทําอะไรไม่ได้มีแต่ป่วยกับป่วยอย่างเดียวนะเลยเลยต้องออกไปอยู่ข้างนอกนะสุดท้ายไปเข้าไม่แน่ใจว่าไปเข้าศาสนาคิดหรือเปล่านะต้องไปอยู่กับพระเจ้าอ่ะนะพอมาอยู่กับเออัอเทวานิยมเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะแต่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาใช้ศักยภาพ ใช้ความสามารถเขาได้รับการยอมรับอะไรเป็นที่เรียกว่ามีฝีมือมีความสามารถแต่พอมาอยู่กับระบบอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันเหมือนกับทำลายศักยภาพทำลายความสามารถจนเขาไปไม่ถูกเลยนะอย่พวกเราอย่างบางคนเนี่ยพอมาอยู่วัดเนี่ยรู้สึกจะไปไม่ถูกเลยรู้สึกกัเมาเลยนะมันจะเอาอะไรก็ไม่แน่ก็ไม่รู้เนี่ยนะมันจะอเนี่ยมัน นี่เล่าใหฟังว่าเออความชัดเจนคือมันจะทําไงเราจะลดตัวลดตนของเราให้เล็กลงนะทิศทางเราจะลดตัวลดตนของเราให้เล็กลงยังไงทําให้ศูนย์ยังไงนะอันนี้จะเป็นเป้าหมายของชีวิตแต่ถ้ามาอยู่วัดฉันจะต้องทําอย่างนั้นทำทำอย่างนี้ฉันจะต้องทําอย่างนั้นฉันต้องลุยอย่างโน้นโอ้โหนี่ถ้าอยเป็นนานๆาเราจะไปไม่ถูกเลยะนะเพราะว่าเราต้องจับว่า เ, เป้าหมายคืออะไร เป้าหมายของเราเนี่ยคือจะมาสร้างกำแพงเมืองจีนนะจะมาสร้างสิ่งมหัศ จ, จรรย์ของโลกหรือจะมาสร้างจิตวิญญาณอันพิเศษนะจิตวิญญาณพิเศษได้มันต้องลดตัวลดตนมันต้องเล็กลงน้อยลงไปสู่ความศูนยะ์นี่คือจิตวิญญาณที่พิเศษที่ที่เป็นอนัตตามันแตกต่างเนี่จะเป็นจุดจุดแยกจุดที่อ ความชัดเจนนะนะอย่างงั้นคนที่บรรลุธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลดความสาคัญของตัวเองเล็กลงน้อยลงศูนย์เหมือนอย่างที่พ่อครูพูดถึงว่าปัญหาเอ t เอมทีวีไม่ได้เปิดทั้ทีหนึง่งพรกคุณบอกคอสชอทําถูกแล้วนะเราต้องเปิดที่หลังเขานี่แหละเปิดพร้อมเขาเขาก็ไม่ดีเปิดทีหลังเขานี่ดีแสดงใหเ้เห็นถึงว่า เขามีความละเอียดละออนะที่เขาต้องระมัดระวังเพราะว่าไปเปิดของเราก่อนแล้วปล่อยให้พวกช่องที่มีปัญหาเนี่ยเปิดที่หลังมันก็ดูไม่ดีคนจะคิดอย่างนี้ได้ต้องคิดแบบไม่มีตัวไม่มีตนใช่ไหมถ้าคนคิดแบบมีตัวมีตนโอ้โหช่องเราเนี่ไม่มีโฆษณานะทําเพื่อประเทศชาติมาตลอดแล้วคุณมาเห็นความรับกัรของเราได้ยังไงเนี่ยคิดแบบมีตัวมีตนคิดแบบพระเจ้านะ คิดแบบพระเจ้าทำไมไม่เห็นไม่เห็นหัวเรานะทำไมไม่เห็นความสําคัญของเราเราทําเพื่อประเทศชาติมาทั้งนั้นนะแต่คิดแบบพ่อท่านใครจะคิดได้ง่ายๆชมคอสชว่าโอ้โหคอสชคสชนี่ทำอย่างนี้ดีมากเลยนะให้ทีวีเราเนี่ยเปิดทีหลังเขานะเปิดพร้อมง่ายช่องมีปัญหาทั้งหลายนั่นแหละนะดีเปิดไปเปิดก่อนก็ไม่ดีอะไรไม่ดีเเนี่ก็คือคิดแบบไม่มีตัวไม่มีตนหนึ่งจะคิดได้ ถ้ามีตัวมีตนคิดว่าตัวเองสำคัญคิดตัวเองแน่ดีกว่าคนอื่นเนี่ยคิดไม่ได้สิ่งเนี้คือจุดยืนของเรางั้นทิศทางที่เรามาอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกคนถ้าทุกคนเล็กลงน้อยลงนะพยายามทิศทางไปสู่ความศูนย์นะเราเล็กลงเราน้อยลงคนไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเลยยิ่งเล็กยิ่งน้อยพื้นที่ที่เราจะรับทุก เราก็น้อยลงด้วยใช่ไหมถ้าเราใหญ่เนี่ยโอ้โหใหญ่เนี่ยเป้าใหญ่เนี่ยรับตายิงก็ถูกนะคนไม่ชอบใจเราว่ายังไงก็ถูกหมดแหละถ้าเราเล็กลงน้อยลงไม่มีไม่มีพื้นที่เป็นอัตราของเราเลยเนี่ยใครยิงยังไงยังไงก็ไม่ถูกนะนี่ก็เป็นทิศทางทิศทางข้อที่สามเนี่ยนะว่าเอ๊ะเรามาเรามาทํางานเราไม่ได้มาที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะ สิ่งประจัญของโลกแต่ว่าเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็กลายเป็นอนุสาวรีแห่งความโลภโกรธหลงเท่านั้นเองแต่เราจะมาสร้างนะสร้างจิตวิ ญ, ญญาณที่วิเศษจิตวิญญาณที่เป็นโลคุตละจิตวิญญาณที่เป็นอเทวนิยมนะจิตวิญญาณที่ตัวตนของเราเนี่ยก็จะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆนะคราวที่แล้วธรรมาก็พูด รู้เขารู้เราแล้วก็รู้พระหมายชีวิตวันนี้นะเหลือเวลาอีกติบนาทีขอไม่ใช่เหลือแล้วนี่มันเกินแล้วล่ะนะมันวนไม่ลงนะไปไปไปเอ่ออัลมาบทอันแรกมันยาวไปหน่อยอันที่สี่เนี่ยอัมาคิดว่ามัสฮับของนักปฏิบัติธรรมที่ต้องมีเนี่ยคือต้องมีตาวิเศษนะต้องมีตาวิเศษอย่างเคยพวกเราเคยฟังนะ อย่างที่เรกว่าคนเขาอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยเขาก็วิ่งไปแสวงหาอาจารย์นะอยากจะบรรลุเร็วมากเลยนะวิ่งผ่านป่าผ่านดงผ่านกอไผ่ไอ้ความที่รีบร้อนเกินไปน้าไผ่มันเกี่ยวลูกตาเขาหลุดออกไปติดกับกอไผนะ่กับน้าไัยด้วยความที่เขาอยากจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็รีบคว้าลูกตาเขานะจับยัดใส่ยังเก่า แต่ด้วยไม่ได้พิจารณารอบคอบเขาเอาไปเอ า, เอาตาดํมาไว้ข้างในาตาขาวไว้ข้างนอกนะพอตาดําอยู่ข้างในเนี่โอโ้โหเห็นตับไตไส้ปุงเห็นทิ่งที่ไม่น่ายินดีทุกอย่างเลยหน้าไม่น่ายินดีไม่น่าติดใจเลยเลยทําให้เขาบรรลุทำได้อย่างง่ายดายเลยเพราะมันมองข้างในที่ผ่านมามีปัญหาเนี่ยเพราะพระเจ้าใส่ลูกตาเขาผิดนะเอาตาดําไว้ข้างนอกมันทําให้เขาเห็นคนอือ่นบทเลยนะยกเว้นเห็นตัวเองนะ ดอกเวนเขาเห็นคนอื่นบทนะลูกจากคนอื่นบทอาตมาเคยฟังผู้รับใช้ฐานงานแห่งเด้งเขาพูดปัญหาคนทํางานร่วมกับเขาเนี่ยเขาจาะลึกได้อย่างละเอียดเลยอาตมาชื่นชมเลยฟังแล้วโอ้โหนักแม่นปืนนะฟังแล้วเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดรู้แต่ละคนศักยญาตแต่ละคนจะพัฒนาอย่างไรแต่พอไปฟังลูกทีมเขาบ้างว่าเป็นยังไงปรากฏว่าลูกทีมก็สรุปตรงกันหมดว่า คนที่มีปัญหาคือผู้รับใช้ของเขานี่แหละวอะไรกันนั่นนะคือผู้รับใช้เนี่ยสามารถอ่านเกมได้หมดเลยแต่ละคนเป็นยังไงนะแต่ว่าพอฟังลู ก, ลกทีมลูกทีมก็ บ, บอกว่าคนที่มีปัญหาในฐานงานเนี่ยคือผู้รับใชยย้ด ง, งั้นความเฉลียเฉลี่ของนักปฏิบัติทำอย่างนึงก็คือว่าสามารถที่จะอ่านวิเคราะห์คนอื่นได้หมดเนี่ยนะนี่ก็ต้องโทษพระเจ้าแหละเพราะว่าพระเจ้าเอาตาดำไปข้างนอกนะงั้นก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมองมองข้างนอกเห็นบท แต่มันุษยเนี่ยไม่มีกําลังไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเองก็เราจะมีตาวิเศษได้อย่างไรนะบาคิดว่าทิ้งหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดของของการที่จะมีตาวิเศษได้ก็คือเราต้องเราคิดว่านะก็คือเราต้องคิดกันก่อนว่าระหว่างกิเลสกิเลสกับตัวเราเนี่ยนะกิเลสกับตัวเรากับภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ย คิดว่าอันไหนฉลาดกว่ากันอะกิเลสฉลาดกว่าเราใช่ไหมถ้าเราฉลาดกว่ากิเลสเนี่ยเราคงจัดการมันเรียบร้อยนะเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วนะแต่ตอนนี้จริงๆเนี่ยจัดการมันเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่มีครูดียังเอามันไม่ลงเลยเพราะมันมันฉลาดกว่าเรานะมันหลอกล่อเราได้อยู่ตลอดเวลาพอไปเล่นเรื่องกรรมอัตตามันก็ขึ้นกิเลสอัตตามันก็โผล่พอกลับมาเล่นอัตตา นะมาบีบบีบอาตาการมันก็กลับมางับอีกกับหน้างับหลังทำให้เราหัวหมุนอยู่ทุกวันเนี้นะงั้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ได้เป็นพระรหันต์เนี่ยกิเลสมันคุณพ่อของเราเนี่ยนะมันฉลาดกว่าเรามันฉลาดกว่าเราแต่ถ้าถามว่ามันเราไม่รู้เท่าทันมันนะปัญหาคือว่ามันฉลาดก่าเราเราไม่รู้เท่าทันมันอันนี้ต้องยอมรับความจริงอันนี้เถ้าเรารู้เท่าทันมันเราคงเป็นพระรหันต์แล้ว เมื่อมันฉลาดกต่เราเนี่ยแต่ถ้าถามว่ามันจะฉลาดกว่าหมู่กลุ่มของเราได้ไหมกิเลสเนี่ยนะมันไ ม, ม, นไม่มันไม่น่าจะฉลาดกว่าหมู่กลุ่มของเรานะอย่างนั้นเนี่ยคุณดีง่ายเข า, าทับใจมากเลยนะไม่รู้ว่าภนษานี่อะไรทาให้คุณดีง่ายว่งามดีง่ายน ะ, นะต้องงามดีมากอาตมาคนที่เปลี่ยนชื่อบ่อยในะบางทีอาตมาก็ บอกเขาว่าทำไมไม่จำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนอีกนะทำให้เสียพลังงานไปคอยจำนะก็เขาประทับใจมากเลยนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจเขาพยายามย้ำว่ามิตรดีสายดีสังคมสิทธิ์สิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นะประโยชนเนี่ยสำคัญมากนะนะคืออย่างที่เขาประทับใจแล้วว่าสิ่งที่เราจะเข้าเป้าเข้าเป้าในเข้าเป้าเนี่ยอยู่ที่ว่าเรา ได้พลังจากมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีได้มากน้อยแค่ไหนอย่างนั้นตาของเราเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราก็เห็นกิเลส ข, ของเพื่อนแต่ไม่เห็นกิเลส ข, ของเราเพื่อนก็เห็นกิเลส ข, ของเราแต่ก็ไม่เห็นกิเลส ข, ของเขานะทำยังไงถึงจะเอาแรงกันได้ใช่ไหมทำยังไงถึงจะเอาแรงขึ้นกันและกันเนี่ยนะเราก็ เอาแรงเขาให้เขาช่วยมองกิเลสของเราให้เขาช่วยบอกกิเลสของเราเราก็ช่วยบอกกิเลสของเพื่อนแต่ตอนนี้ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมีเรื่องมีราวทะเลาะกันนะแต่เง้นจะมาบอกว่าเอาสูตรต่มาไปใช้ผิดนะต้องตกลงกันก่อนว่าบอกไปแล้วจะโกรธกันหรือเปล่านะบอกไปแล้วจะมีเรื่องมีราวกันหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ไปคาดหวังไมได้ว่าบอกไปแล้วเขาจะเข้าใจนะ คือคือคนที่จะเข้าใจกิเลสตัวเองได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเขาก้าว ก, ก้าข้ามพ้นสักยะทิฐิไปได้แล้วเขาก็จะเข้าใจแต่เขายังไม่ก้ามข้ามพ้นสักยะทิฐิไปได้เนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเลยละ่ะนะยิ่งกับไ ข, ข่งูจงอางเลยแล้วมาละรับรบละลวงกิเลสเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องตายได้ดีกว่านะแต่จะมาแต่มายุ่งกับกินเลสของเขานะ งั้นมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยตอนท่านมนาโปอยู่เนี่ยธรรมาเคยมีประสบการณ์ก็ปราวนากันแหละอาตอมาก็มีอะไรก็บอกทรรมนาโปลแล้วก็ท่านมนาโปบอกกิเลสอาตมาบ้างท่านบอกผมทราบต่อตอาตมาว่าพันเตพูดชอบพูดห้วนห้วนะอาตมาก็ถามท่านว่าพูดห้วนเนี่ยในความว่าพูดเสียงแข็งแข็ ง, ขงก็ไม่ใช่ พูดมนันหนาไม่มีน้ำก็ไม่ใช่คือเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้คํว่าห้วนของท่านเนี่ยมันเป็นยังไงก็ถือว่ากว่าจะได้สรุปกันจริงๆเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะทั้งที่ตัวธรรมาก็อยากจะรู้นะท่านมานาโปก็จำเป็นธรรมกะก็ถึกท่านก็ฉลาดที่จะบอกเราแต่กว่าจะสอดคล้องกันได้ว่าเออท่านอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้เราก็เข้าใจได้ว่าที่ท่านหมายถึงอะไรเนี่ยพ อ, อถึงได้เข้อสรุปว่าบางทีอรรมามหมดอารมณ์เนี่ย อาตมาก็เลิกพูดดื้ออะไรอย่างเงี้ยไอ้คําว่าพ้นพนเนี่ยมันทีมันกว่าจะบอกกันได้เนี่ยนะคือท่านก็จับจับแต่ก็จับไม่ชัดนั่นกันแต่ท่านก็รู้สึกว่าเอออาตมาเนี่ยพูดทวนๆกว่าจะรู้ได้ว่าอ๋อบางทีมันเหมือนกับคุยกันในดีบางทีก็เลิกพูดกันดื้อเลยอะไรเงี้ยก็ก็ได้มันเป็นเรื่องเ้วก็รู้ตัวเหมือนกันว่าบางครั้งเราทำหมดอารมณ์ก็ก็เลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยนะมันก็คือพนพน แต่ว่าภาษาที่ใช้มันตรงกับสภาวะที่เราต้องแก้ไขเนี่ยมันต้องต้องเราก็อยากจะรู้ด้วยเขาก็อยากจะบอกด้วยแล้วเขาก็ฉลาดที่จะบอกด้วยเนี่ยแค่เราก็อยากจะรู้เขาก็อยากจะบอกเง่ยนะยังจูนเครื่องไงให้มันตรงกันเนี่ยต้องใช้เวลาเลยแล้วเขาก็ไม่อยากจะรู้ด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยเป็นกเกลียดด้วยนะเราถ้าจะอยากจะบอกอย่างเดียวเนี่ยบอกไปก็นะจากมิตรภาพไปกลายเป็น อะไรมรณภาพนะคงจะตายจากการมากกว่าที่จะเป็นมิตรภาพนะดังนั้นดังนั้นต้าวิเศษเนี่ยมาคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเป็นเรื่องที่สําคัญมากคนเราเนี่ยจริงๆพวกเราอยู่กันมาถึงทุกวันเนี่ยอยู่กันมาไม่ต่ํากว่าสิบปีอยู่กันมาไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี น, ปนะแค่ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาเนี่ยก็พอจะอ่านกันออกแล้วนะว่า อารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียหรือก้าวเข้ามาเนี่ยก็พอที่จะรู้พอที่จะเดากันได้แหละนะอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราเรียนปริญญาตรเรียนมาพร้อมกันหมดน่ะก็รู้เท่าเ่ากันนี่แหละพอครูพูดยังไงเราก็ฟังกันหมดอ่านสเปกกิเลตราคายังไงโทรศัพเป็นยังไงโมหะเป็นยังไงอุปกรณ์ติพกเป็นยังไ ง, เ, เ, ง, ไงเราเรียนรู้มาเท่ากันมีมิเตอร์มีเครื่องวัดเท่ากันแล้วก็อยู่คุกคีกินข้าวกันมาอะไกันมาเนี่ยจริงๆอาตมา มั่นใจว่าคนที่เขาบอกเราเนี่ยมันไม่พลาดเป้าหรอกนะเขายิงมาเนี่ยเขาไม่ต้องเล็งก็ได้เพราะมันเห็นกันมารู้อะไรเห็นทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันแม่นอยู่แล้วดังนั้นดังนั้นเนี่ยทํำยังไงเราถึางจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เพื่อนเขามองให้สิ่งที่เพื่อนเขาชี้ลุมทรัพย์ให้เนี่ยเป็นตาวิเศษนะอย่างที่บอกแล้วเนี่ยของเขามีตาดําอยู่ข้างนอกนะ เขาเห็นเรานะเราก็มีตาดําอยู่ข้างนอกเราก็เห็นเขานะงั้นจะเอาแรงกันได้ยังไงที่จะรับรับสิ่งที่เพื่อนมองแล้วก็เอามาทบทวนแต่ในนี้ตรงนี้มันก็ยากเหมือนกันนะถ้าคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยคิดที่เข้ามาคิดจะมาแก้ไขตัวเองมามองข้อบอกพร่องตัวเองเนี่ย แต่มากไต้องไม่ตกลงกันให้ดีๆนะจะเป็นบัดดี้กันเนี่ยต้องตกลงกันก่อนว่ามองกันแล้วบอกกันแล้วเนี่ยไม่ใช่โกรธกันนะเลิกนับถือศาสนาร่วมกันเลยนะเลิกอยู่ร่วมกันเลยเนี่ยต้องตกลงกันดีๆว่าเออมันมันมันพอกําลังรับมือกันไหวไหมแต่มาห็นว่าสําคัญมากเลยนะถ้าคนไหนเออไม่ได้ประโยชน์จากตาวิเศษคนนั้นจะอยู่กับในโลก ของโลโกตะล่าเนี่ยอย่างทุกทรมานอย่างบอบช้ำอย่างเจ็บช้าระบมนะเพราะว่ามันมีมือฝ่ามืออะรหันเนี่ยนะไม่รู้จักของใครของใครแหละนะมาตุกตับตุกตับใส่เราไม่รู้ตัวนะฝ่ามือที่ปรารถนาดีนะคนนั้นบ้างคนนี้บางคนนน้นบ้างบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีพ่ะครูก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ก็เป็นไปโดยอัตโนมัตินะ อลรหันบ้างหรือไม่อลหันบ้างอ่ก็จะโดนมาอยู่เรื่อยๆแหละนะก็ถ้าเราถ้าเราไม่พยายามเอาประโยชน์จากตาพิเศษเนี้ยก็จะก็จะเจ็บปวดทุกทรมานและเหมือนกับถูกทำํำลายนะกลายเป็นว่ามาอยู่สังคมชาวโศกแล้วเนี้ยโอ้โหเราถูกทําลายนะรู้สึกเราเป็นคนมาอยู่เอ๊ะมันอยู่ยังไงอยู่ในสังคมที่ขนาดนะ สัตว์ทั้งหลายยุงยังไม่ตบเลยแล้วจะไปทำลายคนได้ยังไงนะแต่ว่าสันเลขาธรรมเนี่ยคือระบบของเราเป็นระบบสันเลขาธรรมไม่ใช่ระบบพระเจ้าระบบพระเจ้ามีแต่ความรักมีแต่เชิดชูมีแต่ให้กำลังใจพูดให้คุณยิ่งใหญ่นะแต่ระบบนี้จะทำลายนะทางความยิ่งใหญ่ของคุณลงไปนะในทังควม น, นี้ใครใหญ่ไปก่อนนะใครเล็กอยู่นะ ทั้งหมดนี้กติกาเลยว่าคนไหนใหญ่เนี่ยแต่ไม่ใช่ใครให่ใอยู่นะใครใหญ่ไปก่อนนะคนเล็กถึงจะอยู่ได้นะคนไหนใหญ่คนไหนแน่เนี่ยก็จะสันเลขาธรรมเนี่ยเป็นระบบที่ขัดเกลาตลอดเวลาแม้แต่ามาก็ไม่ได้ยกเว้นนะอยู่ดีๆเดี๋ยวพ่อครูก็พูดบนศาลานะงั้นถ้าใหญ่แล้แน่มากเดี๋ยวก็โดนถล่มบนศาลานะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มี ออตอนเลขธรรมเนี่ยมันก็นจะรับมือไม่ไหวพุทธเจ้าจึงบอกเล้ว่าพระโสดาบันเนี่ยให้เขารับพระโสดาบันเนี่ยนะใครตาหนิดเตเียนพระโสดาบันเนี่ยบาปยิ่งกว่าตําหนิศาสดาทั้งปวงนะศาสตาทั้งปวงเนี่ยเพราะอะไรพระเจ้าที่ไบเหตุผลว่าเพราะพระโสดาบันเนี่ยการจะเป็นพระโสดาบันได้อริยะในทางมีไนนี้ ต้องใช้ความอดทนอย่างมากถึงจะถึงจะอยู่ในธรรมิยนต์นี้ได้นะอย่างเั้นแม้แม้โสดาบันเนี่ยก็พุทธเจ้าก็บอกว่าใครตาหนีพระโสดาบันบาปยิ่งกว่าตาหนีสาธดาขึนดื่นเพราะคนจะเป็นโสดาบันได้นั้นจะต้องอยู่ในความอดทนแล้วพุทธเจ้าถามพระเตือนหน้ากันนะถามว่าเธ อ, อยังอดทนได้ดีอยู่หรือไม่ได้ถามว่าเธอเป็นสุขดีอยู่หรือนะ่ะ จะถามว่าเธอยังอดทนได้ดีอยู่หรือในทางม่นายนี้เป็นสัญเลขาธรรมเป็นตันเป็นธรรมแห่งการขัดเกลว์างนั้นทํำยังไงเราถึงยังมีตาพิเศษที่ตาพิเศษนี่พร้อมบริการ24ชั่วโมงเลนะไม่ได้คิดค่าแรงค่าอะไรเลยนะเป็นได้เพียงว่าไม่เปิดบริการไม่ไอ้คนไม่ค่อยพร้อมจะรับบริการเท้านั้นเองอะแต่ทุกคนนี่แม่อยากจะบอกจริงๆนะเราไม่ค่อยรับเอาตาพิเศษมาใช้ ตึงตรงนี้เป็นเป็นองค์ประกอบนะเมดีถ่ายดีเป็นทนะั้งหมดทั้งสิ้นของพมอาุทธเจ้าข้อสุดท้ายอันนี้ธรรมาคิดว่าสําคัญเหมือนกันนะการทําทบัญชีกำไราขาดทุนนะตัววันนี้ดูเหมือนว่าชาวบ้านก็มีบัญชีชาวบ้านนะธรรมาคิดว่าบัญชีกำไราขาดทุนของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆมาใช้ชื่อปรญหาเท่านั้นเองแต่แต่เนื้อหาคือว่าวันวันนึงเรา เราได้บุปเพยเราบ้างหรือเปล่านะวันวันนึงเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาทบทวนสิ่งที่เราผ่านมาแต่และวันแต่และวันเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนมวยวัดนะคือโชคอุตลุนะ่นฮะเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันวันหนึ่งได้อะไรไม่ได้อะไรอยู่มาสิบปีไม่เคยทบทวนเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเราได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ มันก็ไม่มีเป้าไม่มีเป้าที่ว่าเราจะเดินหน้าต่ อ, อยังไงเราไอ้นี่มีบกพ่องอยังไงเราจะเพิ่มมาที่สินยังไงเหมือนคนทําบัญชีค้าขายมาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันกําไรหรือมันขาดทุนมันก้าวหน้าหรือมันถอยหลังวันวั น, นึงมีแต่ขาอ่อนนะทํางานจนขาอ่อนหมดแรงแล้วก็ น, นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานจะขาดทุนจะได้กําไรอะไรก็ไม่รู้อย่างงี้มันก็เอพระเจ้ก็ว่าถือว่าเป็นความเสือเ่อมเนั่นกัน เมื่อเราได้ดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ดีอะไรบ้างไอ้ถึงที่เราได้ดีไว้เนี่ยมันไม่ได้ทบทวนมันไม่รู้ว่าตัวเองได้ดีไอ้ความดีนั้นมันก็เสื่อมได้น่ะอย่างนั้นเออถอะนี้การบุพเพเนี่ยทุกวันนี้อาตมารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากก็คือการบันทึกนะ่ะการบันทึกการเขียนเนี่ยสมัยก่อนนี้เรามีการรณรงค์การบรรลุธรรมด้วยการเขียน คือคิดบางทีความคิดเนี่ยมันยังไม่ความคิดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ละเอียดเท่าออกับการเขียนนะการเขียนในวจีสั้งขานเนี่ยมันจะต้องมันต้องกำหนดให้มันชัดถึงจะเขียนได้นะแต่ว่าคิดนี่มันคิดไปได้เยอะแยะหรอกแต่ว่าเขียนเนี่ยมันต้องโฟกัสนะโฟกัสความคิดออกมาถึงจะเขียนสภาวะชัดนะสภาวะเขียนที่มันทาให้เราคมลึกและจับสภาวะได้ชัดสมัยก่อนในคุณสัพพงฟังเจระเจิตเนี่ย เขาเป็นนักเขียนในในบรรณาบรรณาทีพ่พบของชาวอโศกในในหนังสือของชาวอโศกเนี่ยสมัยก่อนคุณส้นพงเป็นนักเขียนมากที่สุดนะการเขียนของเขาเนี่ยคำจริงไม่ได้ไ ป, ไปเป็นนักเอ็นักเขียนหนังสือที่ไปนั่งตามป่าดั่งชายทะเลเขียนอะไรการเขียนของเขาเนี่ยมันเกิดจากบันทึกบันทึกประจําจวันอย่างหนังสือที่ดังเรื่องหนึ่งเนี่ย ฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืนนะ่ะเขาก็เขียนจากเนี่ยแหละเมื่อเที่ยงคืนนะเวลาเที่ยงคืนคัวตาคงก็ได้มาปลูกเรานะก็คือเที่ยงคืนเรามาก็ไปปลูกเขาวันนี้มีนัดที่ไปถ่ายที่ไปถ่ายาการฆ่าสัตว์ที่โลงฆ่าสัตวก์ญญตกเนะ็เขียนแล้วก็บรรยายตภาพที่ทะยอยทะยองอะไรน่ะเขียนเสร็จออกมาปุ๊บโอ้โหเอามาทําทเป็นหนังสือฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืน ก็เกิดจากการบันทึกเที่ยวไปเห็นรัฐภาพสยองออกมานั่ยนะไอ้เรื่องราวที่เขาเียนทั้งหมดเนี่ยมื่เกิดจากบันทึกในชุดประจําวันแล้วก็เกิดออกมาแล้วก็ทําเป็นหนังสือได้อีกหลายเล่มเยอะแยะมากมายนะในพูดถึงความสำคัญของการบุกเพว่ามันมีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วไอ้สิงที่บันทึกวันเราเราคิดได้วันนี้เนี่ยบางทีอีกเดือนสองเดือนเราก็ลืมนะแต่ถ้ามันอยู่ในการบันทึกไว้เนี่ยมันก็จะมีเวลามาทบทวน กิเลสตัวนี้มันมันยังหนักมันยังเบามันยังเรามีวิธีจัดการกับมันอย่างไรสภาวะนั้นอะไรเงี้ยก็มาคิดว่าตรงนี้มันก็มันก็ทําให้เรามีความชัดเจนในการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไม่ได้ทบทวนเนี่ยมันก็จะอุตลุดสูตรแล้วก็ไม่รู้วได้หน้าได้หลังมันไปไกลไปใกล้อะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ชัดงั้นคนจะมีความชัดเจนได้ก็ก็ต้องมีการทบทวน ในสภาวะจิตภารทำการบันทึกเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทําให้การบุบเพลของเราเนี่ยมีสภาวะได้ชัด น, นี่ก็เข้าๆมัตแท็บนะรู้เขารู้เรามีเป้าหมายช่วยที่ชัดเจนมีตาพิเศษช่วยเหลือนะแล้วก็มีการทบทวนบุบเพอยู่เป็นหลักก็ <c oughs> จะเลยเวลามาแล้วนี่อ่ สำนัธกธรรมจะช่วยเพิ่มเติมก่อนไหมอันนี้จะมายกตัวอย่างเข้านๆท่านฟ้าไทยท่านมือมั่นชเพิ่มเติม อ, อะไรหรือเปล่า ใ, ใหญ้ใหญาติทําก่อนนะนักเรียนวนาอ บ, บอขออภัยมาไ ป, ไ ป, ไปใช้เวลา ช, วช่วงแรกยาวไป กราบขอการค่ะดิฉันใบฟ้านะคะวันนี้ขอขออนุญาตพูดถึงสภาวจิตนิดหนึ่งดิฉันไม่ทราบว่าวิชานี้ท่านปราชาเดินดินจะมาทำหน้าที่แทนพ่อครูนะคะก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยค่ะ ก็วาดหวังว่าจะพื่พ่อครูในวิชานี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะถึงหน้าเวลานี้แท้ที่ว่าเป็นอะไรที่ละเอียดครอบคลุมสนุกสนานมีนตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะนะคะก็ทรงกับที่มาแทนพ่อครูวิชาทิบดีนะคะสิ่งที่ท่านท่านประชารดดันดินได้พูดสุดท้ายค่ะยกกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนก็ ของการงบดุลด้วยการบันทึกของคุณสมพงษ์แสงัจรจรจิกในหนังสือฟันร้ายเมื่อขึ้นคืนนี้ั่นเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่กินเนื้อสัตว์มาจนถึงอายุ35ปีแล้วไปที่สันเตียโศกนะคะเมื่อปี31ค่ะไปที่สันเตียโศกครั้งแรกเมื่อปี31นนะคะพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะ มันได้เห็นไม่เพียงแต่ความโหดร้ายของคนที่ทำร้ายวัวนะคะฆ่าวัวแต่ได้อ่านถึงสิ่งที่บรรยายถึงความรู้สึกของวัวที่ถูกฆ่าว่าเขาลำพึงลำพันอย่างไรอย่างไรอย่างไรตรงนี้ค่ะอ่านไปอ่านไปน้ำตามันไหลไม่อย่างไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วมันเกิดความซาบซึ้งเกิดจิตสลดหดหูจนตั้งใจว่านับแต่นี้ไปเราจะไม่ อาศัยเลือดเนื้อของสัตว์หรือเพื่อนร่วมโลกเราต่อชีวิตเราอีกนะคะแต่ทางนี้ก็มีพื้นภูมิมาเล็กน้อยจากการปฏิบัติธรรมล่งหน้าเนี่ยค่ะหนังสือฟันร้ายเมื่อเที่งคืนเล่มบางเล็กๆนะคะราคาเพียงหนึ่งบาทนะคะที่ได้นันอ่านอันนี้ก็เป็นสภาพะที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะแล้วอยากจะประมวลถึงจากเนื้อหาต่างๆที่ได้ทาให้เราได้ลดตัวลดตนดิฉันก็คงขณะที่ ท่านประชาดินดินพูดถึงครูบ้านนอกคนหนึ่งที่พกพามาด้วยความสำเร็จแล้วมาวัดับไปไม่ถูกนะคะดีถ้าไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะดีท่นก็มาด้วยความสำเร็จระดับหนึ่งคงไม่ถึงระดับนั้นแต่มาแล้วก็หลงอยู่กับทุนรอนทางสังคมที่มีอยู่จนถึงกับดักที่ต้องตีกลับไปนะคะจะว่าไปไม่ถูกแต่มันก็หลงค่ะเป็นความหลงที่ทาให้เราหลงอยู่กับที่ว่าสิ่งที่เราเก่งมาทั้งโลกโลกนั้นะ เราจะมาเก่งต่อในทางทำซึ่งมันผิดที่ผิดทางจริงๆอย่างที่ท่านประชาได้ยกตัวอย่างจริงๆนะคะดิฉันเป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รับทราบกันพอสมควรในหมู่ในหมู่พี่น้องเราแล้วคะ่ะทีนี้ก็สรุปกับตัวเองว่าขณะนี้เรามีสภาวะอย่างนี้หรือไม่มันมีสโลกธรรมที่อาจารย์หญิงได้พูดครั้งหนึ่งที่ขึ้นรายการนะคะที่พ่อครูได้ให้ไว้ดิฉันตอนนั้นประทับใจระดับหนึ่งแต่ขณะนี้ทราบซึ้งใจเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ สโลกธรรมนั้นมีบอกว่าไม่กังวลกับความร่ำรวยไม่หิวโหวยกับความบันเทิงไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตชีวิตจึงไม่ขาดแคลนความเบิกบานค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสาธุขอบค่คะจกจะเพิ่มเติมว่างั้นงานบันทึกเนี่ยมันสร้างวรรณกรรมจิตกรรมอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างที่ฝันร้ายเนี่ยมาคิดว่ามีส่วนช่วยคนได้ไม่ใช่น้อยที่ทําให้เขาสามารถ เลืกินเนสัตว์ได้จากการบันทึกเนี่ยคือจริงๆแล้วหลักการเขียนหนังสือคุณศิลปินแห่งชาติคุณ เ, เขาเป็นกวีนวลัตรเนี่ยเขาบอกหลักการเขียนง่ายๆคือว่า <c oughs> <c oughs> เขียนได้ถึงที่เราอยากจะเขียนแล้วรีบจบเร็วๆนะงั้นจริงๆคนเขียนดีไม่ดีอยู่ที่ว่าเขาประทับใจในสิ่งที่เขาไปเห็นหรือเขามีชีวิตแล้วเขาก็รีบๆเขียนแล้วก็จบแค่เนี่ยหลักของนักเขียน จริงๆแล้วเนี่ยเราเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยมันมีเรื่องประทับใจเยอะแยะแต่มันปล่อยผ่านไปเฉยๆเนี่ยมันเริยกเพชรยนยินดา ม, มันหายไปเช่นคุนเถาเขากบนำการครับผมขอสรุปนะครับตามความ เ, เข้าใจและตามประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเปฏิบัติมาเป็นมาเริ่มจากที่ท่านได้พูดถึงนิวรหานะครับซึ่ง สภาพนิวรณ์หเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดยังตกอยู่ในสภาพของนิวรณ์หมากนี่นะฮะก็นั่นหมายถึงว่าผู้นั้นยังอวิชชานยียังไม่เกิดปัญญาฉะนั้นในแนวทางของการปฏิบัติธรรมหรือการทํางานก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตราบใดที่ผู้ยังมีอวิชชานะ่ยก็คือมีนิวรณ์หเป็นตัวนําฉะนั้นมเป็นที่หมายได้ว่าการทํางานในเชิงของความคิดในเชิงของการปฏิบัติ ที่จมันจะให้เกิดถูกทิศถูกทางแม้กระทั่งความเหมาะสมในฐานะการะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากผมเคยมีประสบการณ์ในช่วงที่ผมไปอยู่ที่พิศโลกนี่นะฮะมันไปด้วยอุดมการณ์ที่จริงแล้วมันก็เป็นอุดมการณ์ที่มันบวกอวิชชานะครับมันก็จะเดินาการไปร้อยแปดทำไปมันไม่เคยเข้าเป้าทั้งอย่างหรอกเพราะกิเลสมันเป็นตัวนําไป นั่นเป็ น, นรประสบการณ์ที่ที่ทำให้ผมได้รู้สึกเมื่อมันฟื้นขึ้นมาว่าเลิกเลิ ก, เลกนะมาอยู่แลไอ้ทนะี่พิศโลนี้นะฮะเพราะเราเกิดความเข้าใจว่าในสิ่งที่มันเป็นความคิดจินตนาการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคืออวิชชาของเราทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีอยู่สิ่งดีอยู่อย่างเดียวก็คือเจตนานะฮะหรือว่าศรัทธาที่จะมีต่อการงานที่ทําท่านั้น ฉะนั้นในคำว่านิวรห้าเนี่ยที่เป็นตัวนำของชีวิตของบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่ลดละไม่จางขายไม่เบานะฮะก็คือย่างอาวิชชานะฮะฉะนั้นในการที่จะทำงานอย่างที่ผมได้กล่าวาไปสักครู่นี้นะฮะในที่สุดเลยเนี่ยที่มาพูดถึงคำว่ามิตรีสหายดีนะฮะสังคมสิงห์วรมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของคมณพจ์ถ้าตราบใดที่คนยัง มีอวิชชาอยู่เนี่ยแล้วยังไม่เอาคนที่มีปัญญาหรือว่าเป็นคนที่จะสามารถชี้แนะตัวเองได้เนี่ยกับตีทิ้งไปไม่เอาด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นการยากที่จะทําอะไรได้ประสบผลสําเร็จนะครับจากนั้นในในความจริงเนี่ยนะในจุดที่ว่าถ้าปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากมีดีสหาดีจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนนี้จะต้อง นะอวิชชาเบาบางลงนะรเพราะอาวิชชาบาบางลงปัญญาเกิดปัญญาจะเกิดตามลำดับนะก็จะมีความฉลาดนะตามลำดับตามที่อวิชชาตัวเองได้ดลดไปนะครับถึงที่สุดนะแม้กระทั่งสิ้นอวิชชาเป็นพระอารหันต์นะครับเรียกว่าไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยก็ยังฉลาดหมดไม่ได้ยังต้องอาศัยไม่ดีถ่ายดี เพราะคำว่าสมมุติของโลกนี่นะฮะโลกวิถีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว้างมากฉะนั้นหลายคนหลายตาช่วยกันคิดช่วยกันบอกนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกที่สุดสําหรับการดาเนินชีวิตของการเป็นนักปฏิบัติธรรมครับขอสรุปหนึ่งครับอันนี้ยกตัวอย่างอย่างพ่อครูตอนช่วงชุมรมเทวดามาบอกปุ๊บทั้งเลยเออทำอย่างนี้ดีกว่าแต่ท่านก็เรียกปัจฉาเรียกอะไรมารวมกันท่านก็เล่าให้ฟังเราอย่างนี้ดีไหม พอประ ช, ชามค้านนั่นก็เอา้าวไม่ไม่เอาก็ได้อย่างเง้ย <c oughs> คือเห็นว่าขนาดพ่อครูที่ท่านท่านเป็นยังไงเราก็ยกให้ยอยู่แล้วใช่ไหมถ้ยายกให้ยอดเลยเนี่ยท่านก็ให้พวกเราช่วยกันกลองหมายว่าเอากั น, นยังไงดีไหมพอพวกเราค้านท่านก็บอกก็ไม่เอาก็ได้ไก็แบ็นี้ก็คือว่าขนาดพ่อครูที่มันเป็นการทํางานให้กับสังคมอะนะแต่ว่าเอพอจะสมมุตินี้จะออกไปเนี่ย มันสังคมจะรับได้หรือรับไม่ได้อันนี้ก็ช่วยกันกันกรองช่วยกันพราช่วยกันมองอันนี้เพราะครูก็ก็ยังให้พวกเราช่วยกันแสดงความคิเดเห็นแต่ยังคุณเถานี่ในฐานะที่เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทอโศกรังสรร์มาก่อนเนี่ยคือคุณเถาเนี่เจตนาคุณเถาจะช่วยมนุษยชาติอยู่แล้วมนุษยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะประกอบพยายามดูแล้วมันกับมัน่าจะไปดีนะแต่ถธรรมมาจะว่าข้อสรุปที่อโศกลังสรรล้มเหลวเป็นเพราะว่า สนามแม่เหล็กพลังสนามแม่เหล็กมันไม่มันไม่มากพอนะมีคุณเถาเป็นหลักแล้วก็ประกอบเพื่อคูณที่จะทำอยู่แบบสังคมวัดคือคุณเถาพยายามจะเอาความการของวัดไปใช้ทุกอย่างที่จะเสียสลาที่จะอะไรเนงะแต่ว่าสนามแม่เหล็กนยะพลังที่มันจะตรงไปตรงเป้าหมายมันไม่ไพอมันก็เลยมันจะเปิดตาลาดระยะแต่เปิดตาลาดระยะที่บ้านลาดกับที่คนมีคุณภาพคุณธรรมน้อยเนะี่ยมันก็จะ พลังมันจะต่างกันดังนัน้นมันมันเป้าเป้ามันเลยไม่ได้ไม่ได้ก็ดีแล้ะทำให้คุณเถาได้เข้าวัดอย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้ล้มก็เลยไม่ได้เข้าวัดแต่ว่าอุดมการจดดนก็ยังเหมือนเดิมมันมันนปัญหาอาชเชิญคุณภาคีริ้วใช่ไหมตกลงชื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนแล้วชหมเชิญเนี่ยเดจจมันมันไม่ดังอ่ะเปลี่ย น, ย น, ยนไ่ตัวใหม่ เปลี่ยนเำพาะในสมโนโครัวค่ะบัตรประชาชนยังไม่ออกให้ oh. เพราะต้องรอให้พ้นเลกตั้งอะไรนี่ไปให้เสร็จเต้นก่อนกราบเขโอกาสบค่ะเอ่อพอดคีคิดว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดตอนนี้นะคะพอดีมีญาติธรรมใหม่ที่กำลังศรัทธาอยากจะเลิกเนื้อศัพท์นะคะก็เลยฉกฉวยโอกาสเวลานี้ ดิฉันเมื่อสมัยปีพศ25นะคะดิฉันชอบชอบนั่งสมาธิค่ะแล้วจิตมันก็ปรุงตอนฝนตกฟ้าร้องอะ่ะมันจิตมันคิดไปถึงตรงที่ว่าเสียงฟ้าร้องเนี่ยเหมือนเสียงวัวไฟสับแช่งตั้งกะบัดนั้นนะฮะแล้วก็พอดีมาอ่านหนังสือของชาวโศกะ่ะชีวิตใครใครก็รักชีวิตฉันท่านกินฉันเพื่อรินท่าน ชีวิตฉันท่านกินฉันสุขสันเหลือชีวิตฉันท่านพรากจากว่านเครือสุกสันเหลือกงกรรมคงตามทันดิฉันก็นั่งร้องไห้ในสมาธิค่ะตั้งแต่ บ, บัดนั้นดิฉันก็ทานเมมนจาานเมาจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะแต่แต่ก่อนนี้ทานเจใหญ่เจใหญ่ไม่มีหอมไม่มีกระเียมกินแบบไม่รู้เรื่องแต่พอมารู้จากสันติอโศกเมื่อปีสองเมื่อปีสามแปด ก, ก็เลยตั้งกะ บ, บัดนั้นก็เป็นมังสวิรัตมาตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตชีวิตคนของเราเนี่ยไม่เห็นที่จะต้องกลับไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเลยอะ่ะจิตมันก็ปลูกฝังอยู่กับเรื่องยังไงชาติใดฉันใดอะไรชาติไในก็แล้วแต่ที่จะต้องได้เกิดเนี่ยยังไงๆก็คงจะไม่กลับมากินเนื้อสัตว์อีกแน่นอนจนวันนี้ก็เนื้อนมไข่อะไร น, นี่ก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าการที่เราป่วยเนี่ย มันทำให้เราได้แง่คิดว่าจะเป็นนมเป็นเนยเป็นไข่เป็นอะไรก็แล้วแต่มันทำร้ายสุขภาพเราจริงๆค่ะดิฉันก็ขอฝากแค่นี้ค่ะสาธุอการค่ะดิฉันหนึ่งดาวนาวบุญยมนะคะก็ดิฉันได้ไปทำงานที่โรงสีนะคะก็พถูกเลือกนะคะว่า เหมาะกับงานจุดนั้นและมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมแต่ดิฉันก็สงสารพี่เดือนแก้วเป็นอย่างมากใจก็อยากจะช่วยนะคะแต่ดิฉันก็ต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นแล้วแล้วมาทราบวันนี้มาทราบจากพี่ดินเย็นว่า้รงครัวต้องซื้อพริกกินทั้งที่ พิกที่ที่สวนของแม่เขียวอะเย่าเยอะมาล่นลนทิ้งค่ะแค่นี้ค่ะสวนแม่เขียวอยู่ที่ไหนเนี่ยสวนแม่เขียวเนี่ยสวนไซม่วนก็อ๋อสวนใไหม่วนเขาเขียวขจนะีอะนะ เยอะจนจนไม่ม uh, yeah, ีคนไปเก็บอล้นชิงค่ะแค่นี้ค่ะข้าวกาดข้าวกาดค่ะขนมสแตนดค่ะดิฉันกนมหน้าไทรลักษณ์ค่ะก็พอดีจะมาเสริมที่คุณใบฟ้าค่ะมาว่าท่านประชามาวันเนี้ยโหเหมาะที่สุดเลยค่ะ ก็คอจากที่เคยทําอยู่ครัวแกงแขกกับแมคโครนะคะอยู่ที่แพรนะคะก็คือจะได้ยินอะไรบ่อยๆที่คนเขาเสียบกันไปเสียบกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีจนเสียบจนนินถายเลยเปล่าพอดีวันนี้ประเช้ามาพูดโอ้รู้สึกฟังแล้วมีความสุขค่ะอแล้วก็มัน เข้าใจคือตัวเองเนี่ยรู้จักอโศกมาตั้งสมัยสันติยังเป็นทรงไทยอยู่เลยนะคะพี่สานี่แหละค่ะพาเอาไปปล่อยทิ้งไว้กับพี่สาวก็ก็มีญาติที่รำเนาะพาไปให้พบจิกามาลินฟ้านะคะตอนนั้นยังเป็นเยาวรักอยู่นะคะก็ไปที่กรุฎท่านนะคะแล้วท่านก็เอาอัลบั้มที่สมัยท่านไป อยู่ต pa ่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะมาให้ดูอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ค่อยได้ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรธรรมะนะคะเพราะพี่เถาไปปล่อยไปปล่อยไว้ก็เหมือนอยากจะให้รู้จักอโศกอะไรอยย่่างเี้คะก็มาก็มาแจ้งเกิดที่อโศรังสรรค์นะคะก็มาได้ทันมังสวิรัตปีสองแปดนะคะปีสองปดก็ก็อยู่กับอยู่กับพี่เถามาก็ แล้วเราสี่หปีจนกระทั่งพี่เถ า, ย, า ย, ย้ายไปพิศโลกก็กลับไปทาสวนที่จังหวัดตาดเองเลยเนี่ยะก็ทานมังซิรัสมาตั้งสิบกับส8บปดปีเนาะแล้วก็พอมาอยู่กับลูกทิงเทพม า, มาตกทานเนื้อสตร์ะก็ตกทานเนื้อสัตว์ไปหลายปีแล้วก็กลับมาฟื้นเมื่อตอนช่วงที่ชุมนุมนะคะก็ ชุมนุมไหนชุมนุมครั้งสุดท้ายเนี่ยล่ะไม่ค่ะชุมนุมรู้สึกจะปี51มองค่ะก็พยายามจะไปฟังธรรมพ่อท่านเนาะที่โน่นนะคะก็ไปเองอะไรก็ไม่ค่อยถูกก็ก็อาศัยที่รถที่สันติไปนะคะอัะนั้ก็เริ่มกับมาทานบังซีรักใหม่ค่ะมาเป็นตัวหลักแกงถั่วนะก็ตั้งใจจะมาอยู่บ้านลาดเลยนะคะก็ เป็ น, นผู้มีอุปการะคุณเรื่องแกงถั่วนะะต่อบอกเลยนหะมาการศิกมจะช่วยนะมิจะชเพิ่มเติมอะไรไนมะ่เเลยขอาการครับวันนี้นั่งฟังท่าน กระทั้บใจคําว่าเอาแรงกันนะครับเอาแรง เ, เพื่อจะชนะกิเลสนะครับก็นึกถึงชาวนานะครับเวลาเขาทํานาเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันรู้สึกหนักทําไปมากๆมันจะหนักคราวนี้เขาจะแก้ปัญหาโดยการเอาแรงกันนะครับก็คือวันนี้ไปทํานาตรงตรงนี้นํานาคนนี้แล้วก็เสพนานี้แล้วก็ไปทํานาอีกคนนึงอะไรเงี้ยคือเอาแรงกัน งานงานทำนาเนี่ยที่คิดว่าหนักเนี่ยมันก็จะเบาลงครนี้ก็นึกถึงเรื่องของการเอาชนะ ก, กิเลสของเราที่มันเป็นเรื่องของนามธรรมา ท, ที่มันซับซ้อนและหนักกว่าการทำนาหลายร้อยเท่าเนี่ยผมว่าที่ท่านพูดเนี่ยชาววนอบอรเราหรือว่ายาติธรรมเราเนี่ยน่าจะมาตระหนักถึงคำว่ามิตร ด, ดีสหายดีที่มันจะเกิดผลได้เนี่ย ผมว่าการทํา m ็ u กันที่มันพอดีพอเหมาะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเพราะว่ามิตร ด, ดีสหายดีสังคมดีที่มันไม่เกิดผลเนี่ยคือการประมาณกันเนี่ยบางทีบอกไปเนี่ยคนที่คนที่เขาประมาเขาเขาเขาถูกการบอกการขัดเกลืเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะขัดพร้อมที่จะรับคําขัดเกลื่อเนี่ยมันก็จะมีผลแต่ว่าการตกลงการการทํา m ็มกันเนี่ย เพื่อที่จะทําให้มิตร ด, ดีสหายหดีมันเกิดผลเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะนํามาใช้ให้มันเกิดผลครับขอบพระคุณครับต้องทํา MOU ให้ดีกันแล้วกันนะแต่จริงๆนะคือพอท่านเน้นอ่านใจจับกิเลสเอากิเลสเรายังไม่ต้องถึงกับเอากิเลสออกแค่เพื่อนบอกให้ร่วมมีกิเลสอะไรบ้างเนี่ยนะมันยังถ้าแค่บอกอย่างนี้เรายังรับไม่ได้เราจะไปเอากิเลสมันออกได้ยังไงใช่ไหม พอพอตัวนี้มันเป็นตัวไม่งั้นพอท่านพูดสิปีก็เสียผลนะคือพูดไปแล้วว่าเอากิเลสจับ ก, กิเลสให้อยู่ให้รู้ว่ากิเลสของคุณแต่แค่เพื่อนจะบอ่อยรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรเนียังยังไม่ยอมให้บอกเลยเนี่ยเราจะไปจับ ก, กิเลสอยู่บัดได้ยังไงนะแต่ก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าจะเอามาไหลนี่ต้องทําอโมยให้ดีกันก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยววัดพังครับขอโอกาสครับผมยินยิ่งครับ ครับผมก็เป็นคนทํางานนะครับฟังด้านพุทก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ระลึกไปว่าเออจริงนะการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเออผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็ทําคนเดียวคือผมเป็นอเนกประสงค์นะครับทำไรกับทุกอย่างจะไม่ได้ดีสักอย่างครับคือทํำทุกอย่างไม่มีคนขัดคอครับเพราะลูกคนงานก็เป็นพ่อแม่าผมก็ทําผมถ้าลุกอุบวงท้ลุกปุกโลงเสร็จอย่างรเดร็วตามใจตัวเองครับอัตราครับ ไี่มาอยู่วัดเราก็เ อ, อหลายเรื่องนะผ ม, <c oughs> ผมเข้าใจนะครับใ น, ในสัมมนะก็ดีนี่ผมพูดขอพูดกองๆนะครับในห ม, มู่สัมมนาก็ดีในหมู่ญาติธรรมก็ดีนะครับทุกคนมีเป้าหมายดีมีจิตมุ่งหมายดีต้องการให้หมู่กลุ่มนี้ต้องการให้งานดีให้งานเสร็จเร็วทั้งนั้นนะครับแต่วิธีการทำทำต่างกัน <c oughs> ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับือปัญหาครับ <c oughs> คือคิดต่างมุมอะครับ <c oughs> ท่านก็บอกว่าทําอย่างนี้ดีกว่าทําอย่างนี้ดีกว่าไอ้เราก็คิดว่ายอย่างนี้ดีกว่า ในมุญาติที่ทําก็เหมือนกันนะครับคือจิตมุ่งหมายเหมือนกันหมดแต่วิธีการต่างกันทําให้เกิดปัญหาตรง น, นี้นครับผมนึกๆผมขำบางทีนะอันนี้เรามั่นใจเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าอย่างนี้มันไม่ดีไงแต่ท่านจะทําอย่างนี้แล้วก็กนั่งยิ้มปล่อยให้ท่านทำไงให้ท่านทําไปเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องใช้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะทําให้เข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ไอเราอัตตาอย่างเยอะเนาะเห็นปับ๊บเออเราลงไปใต้น้ำนะก็เป็นอัตตาอีก คือไม่มีใครมาติเตียนเราก็ทําำอยู่คนเดียวใต้น้ําำ嘛ครับมันก็รู้สึกว่าเออมันก็มันไม่หลุดอ่ะมันเป็นเรื่องอัตตาทั้งนั้นนะครับในตัวเรานะครับอยู่ข้างบอลเออเหมือนกับเราหนีจากข้างบอลลงใต้น้ําใต้น้ําไม่มีคนขัดคอเรานะครับเราลงคนเดียวครับมันรู้สึกว่าเออเป็นยากจริงๆครับสำหรับสําหรับกีฬาสําหรับผมเรื่องอัตตามานะผมขอได้ภาพตัวเองจริงๆนะครับแต่ผมก็ รู้สึว่าตัวเองดีขึ้นที่สามารถทำใจได้ mm. คือนึกถึงคำว่าเออเราทำโง่ซะบ้างใช่ไหมเพื่อให้คนอื่นเขาเแสดงความฉลาดเนี้ยก็จะทำให้บรรยากาศดีขึ้นในการทำงานครับขอบคุณมากครับเออนึกว่าดำน้ำแล้วตาจะไม่ตามไปนะตาดำน้ำตามไปด้วยคุณฝั่งบนคิดว่าน่าเป็นคนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะทำนาเท็มาทั้นช่วย การขอการค่ะ ก, ก, ะก็ฟังธรรมะได้ข้อเดียวค่ะวันนี้สู้กับความหลับตื่นขึ้นมาจำได้เรื่องชันเลขาธรรมค่ะก็ก่อนก่อนที่จะเดินมาเนี่ยนึกถึงท่าน ท่านรักเกียรนะคะที่ว่าโล่งตอนตำรวจจับนะคะก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะตรงกับคำว่าสันเลขธรรมนะท่านว่าว่ามันเป็นธรรมะตรงที่ใจใจหรือว่าจิตสำนึกเนี่ยมันรู้ผิดรู้ถูกนะคะจิตสำนึกเนี่ย แต่มันไม่มีพลังพอที่จะขัดเก่าตัวเองแต่พอได้ได้สิ่งที่ขัดเก่าได้สิ่งที่บอกทางเนี่ยว่าถูกต้องจะต้องจะต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยก็เลยก็เลยจับจับใส่กับคำว่าสันเลขธรรมที่ท่านอธิบายวันนี้ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ ไม่ต้องไปหวังว่าจะแบบจะต้องยิ่งใหญ่จะต้องถูกชื่นชมจะต้องอะไรอย่างงั้นอย่างางี้ค่ะรู้สึกว่าธรรมะที่ประทับใจวันนี้ก็ได้ข้อเดียวค่ะขอพระคุณค่ะสาธุใบธรรมะไม่ดังหมดังไห ม, ไมเปลี่ยนไหมอ้าดังแล้ว พุทโธกับขอการทุกท่านนะคะทั้งตรานานติกรรมจริธรรมทุกท่านนะคะได้ฟังธรรมะระดับปรมัดที่ของพ่อท่านก็เป็นเรื่องของนามกายนะคะของท่านอาจารย์เดินดินนะลองเรียกอาจารย์บังกะเนี่ยท่านก็ระลับะรละลับอาจารย์อาชามก็ใกล้กันเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นเป็นกายที่เป็นรูปน ะ, ะสังพ่อท่านนี่เป็นนามรูปก็ได้มีความเข้าใจ อันนี้ก็เข้าใจเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนขึ้นแต่เ้นก็มามองมุมหนึ่งนะคะว่าคือชีวิตเนี่ยได้มาขนาดนี้มันก็นับเป็นบุญหัวแล้วล ะ, ละนะสำหรับหูสําหรับตัวของคนอย่างเราเราก็ไม่ได้มีอะไรเกิดมาก็โง่โมาได้มาขนาดนี้ก็บุญแล้วไม่น่าไม่ไม่น่าจะบังอาจคิดเรียกร้องอะไรจากวัดนี้นะนี่บอกกับตัวเองบ่อยๆว่ามันไม่น่าบังอาจที่จะคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเราได้ขนาดนี้มันได้เกินบุญบา ร, รมีแล้วละ่ะคนในโลกนี้ต้งเยอะตั้งแยะเจ00ันกว่าล้านคนพอจะได้มาฟังธรรมอย่างนี้ได้กินอาหารบริสุทธิ์อย่างนี้นะเก็บมาให้ด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานเะนี่ยที่รู้สึกว่าแค่นี้ก็ก็ซาบสึงใจหมดสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องเอาอะไรจากวัดนี้อีกแหละนะว่าทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้เป็นได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะครัสำหรับสำหรับคนอย่างเราที่ทํามาได้แค่นี้ ได้ได้การตอบแทนมาแค่นี้ที่พ่อขุนก็เยอะเกินแล้วนะเยอะเกินที่เราจะขอร่าร้องเอาอะไรอีกนี่นี่พูดให้ให้ให้เกิดใจของตัวเองก็มัน ก, มนก็มันก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นนะว่าไม่อยากจะเอาอะไรจากพ่อท่านอีกแล้วพ่อท่านให้จนหมดหมดหม ด, หมดสิ้นหมดพุงเขียนตํารามโลกุตระให้ทั้งหมดนะมันเหลือที่เรายังไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงจนกระทั่งถึง คาบสุดท้ายคืออาสวะนะ่ะมันก็ลบกันบ้างอะไรกันบ้างภาษาพี่น้องเทียนว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งซึ่งเราก็มีห อ, อกคือปากพี่น้องก็มีปากคือห อ, อกอ่าปากคือห อ, อกก็ห อ, อกคือปากก็ทิมกันไปทิมกันมาทิมกันสักพักหนึ่งถ้าเราไม่อ่านใจในใจเราก็จะเจ็บเพราะว่าเตียนไปเห็นเนี่นะก็คิดเด้อเขามีเดี๋ยวนี้เขาเสียบปลั๊กไฟฟ้าไปที่สันติอโศกเขาเสียบปลั๊กไฟฟ้าเขาบอกว่าไล่หนูไล่ไล่แมงสาบ โดยเฉพาะแมงสาบพราะมันเห็นไฟฟ้าตัวเนี้ยแมงสาบจะไม่เดินมาเลยอ๋อมันเป็นแมงสาบมันรับกระแสตัวนี้ได้มันก็เลยเจ็บมันก็เลยไม่เข้าหรือมันก็เป็นไงก็ไม่รู้อารมณ์แมงสาบเราก็ไม่รู้เนาะแต่เรารู้ว่ามันไม่เข้ามาแต่เราไม่ใช่แมงสาบแมวเมอไม่ใช่แมงสาบก็เดินไปตรงนั้นนะฉะนั้นไอ้หอกคือปากหรือว่านินทาสารเสริญโลกธรรมอะไรเนี่ยทําไมเราต้องเจ็บเพราะไอ้กระแสนั้นอะมันเป็นสิ่งที่เรามีค่ะ ถ้าไม่มีมันไม่เจ็บนะแต่เขาบอกว่าโอ้ยสิงกมาค้าข้างฝันตอนนี้ไปรักอยู่กับใครอย่างเงี้ยมันก็ขำสิใช่ไหมมันไม่ได้รักใช่ไหมแต่บอกว่าสิกมาข้างฝันนี่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะเอาอํานาจบาดใหญ่เนี่ยอชักคิดแล้วจริงเปล่าวะชักจริงเหมือนกันนะนี่ชักกินเหมือนถ้าถ้าคิดว่าชักจริงเหมือนกันก็เจ็บน้อยลงแต่ว่าคิดว่าคุณมองสูงหรือเปล่านี่เจ็บมากขึ้นนะคะมันจะเป็นเรื่องที่เรารับทําไมถึงเจ็บกับเรื่องนี้ทําไม คุณภูณทยบอกว่ามันต้องลงแขกกันเงี้ยทำไมลงแขกเอาแรงกันไม่ได้เนะี่ยเพราะว่าแรงที่เข้ามาเนะี่ยเรารับกระแสว่าเขาว่าเราเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจเราไม่ได้เขายังไม่แม่นจริงดูตัวคุณติ๊ขนาดไหนคือแทนที่เราจะรับเขามาเอาแรงกันนะเ ร, เราไม่รับแรงจากเขาเลยเราดีดเขาออกจากนาเราเลยอะ มันก็เลยรับไม่ได้เช่นช่วงนี้เป็นช่วงของอัตตาของโลกธรรมซึ่งเป็นโลกธรรมเป็นอารมณ์ของมนุษย์ทั่วไปฉะนั้นเราเอาอารมณ์ของมนุษย์ทั่วไปมาใช้ในวัดวัดของเราก็เลยมีสุขมีทุกข์ซึ่งมันเป็นขั้นตอนหนึ่งดิียนว่าบางทีทุกข์เรื่องนี้มันก็ดีเนาะมันจะได้รู้จักเจ็บว่าโลกนี่เจ็บจังเลยคําสรรเสริญคํานินทานี่เจ็บจังเลยการนินทาว่าร้ายจริงๆเขาก็พูดจากปากเขามันใกล้หูเขา เขาน่าจะได้ยินแต่เรากับเอามาเจ็บเอามานอนกลางคืนกลางวันมันไม่ใช่หน้าเรื่องจริงจังนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเรื่องนี้แต่สิ่งที่หนึ่งดาวน้ําตาร่วงอ่ะเช่นก็รู้สึกว่าทําไมหนึ่งดาวน้ําตาร่วงแค่พริกกลอนจากต้น่พลิกกลอนจากต้นทําไมให้คนน้ําตาร่วงดิฉังคิดเอาความรู้สึกอีฉันนะว่าถ้าดิฉันอยู่ฐานหนึ่งดีก็คงน้ําตาร่วงเหมือนกันคนอยู่กันเป็นห้าร้อยเจ็ดร้อย ห้าร้อยเจ็ดร้อยแค่เก็บพริกมากินก็ยังไม่ได้เนี่ยมันก็คนทำงานจะคิดถ้าเป็นเมื่อก่อนทีฉันฟังตรงนี้ทีฉันก็น้ำตาร่วงเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันก็น้ำตามันเป็นไงร่วงไปอยู่ไหนหมดไม่รู้นะคะมันไม่ค่อยร่วงแต่ซึ้งนะฉันซึ้งมากกับความรู้สึกนี้นะะเพราะว่าเรารู้สึกว่าใกล้ก้ตัวใกล้มือเอื้อม มันเหมือนเอาตากลับมานะว่าอะไรเป็นสาระที่สุดท่านบอกว่าให้หนึ่งสองสามอะไรเป็นสาระที่สุดนะกินสําคัญที่สุดในโลกอยากแข็งแรงอยากอายุยาวแต่เราต้องไปซื้อของตลาดมันจะอายุยาวได้ยังไงมันยาวไม่ได้แต่ทําไมเราไม่ไมาทำสิ่งที่อายุยาวคืออะไรที่มันใกล้ๆก็เก็บมากินช่วยกันแบ่งเวลาเก็บมากินเพราะเราไปให้ความสําคัญกับอีกหลายเรื่องซึ่งดิฉันก็ผิดด้วยดิฉันก็ถ้าขาหายเจ็บอาจจะไปช่วยเก็บพริกบ้างก็ได้นะ อาจจะไม่ใช่พรกอย่างเดียวเราตํลึงตำลึงก็ต้องช่วยช่วยหมดเพราะเรากินทุกวันเราทําพอที่เรากินไหมทําพอที่เราได้กินไหมเนี่ยหนึ่งดาวทําให้ที่ฉันตํานึกนะขอบคุณมากนะคะฉันก็อาจจะฟุ้งฝันไปนกับเรื่องอื่นหลายอย่างฉันก็จะกลับมาสู่ชีวิตจริงใกล้ๆตัวรับใช้คนใกล้ๆตัวเก็บผักให้ยายกินบ้างยายเก็บให้กินจนแก่เก็บขี้เหล็กจนมือเหี่ยวแล้วอะ เราก็ยังจะให้ยายไปเนิมอยู่เราสาวๆมือตึงไม่ยอมเนิมเลยอะ่ะอันนี้มันน่ามันน่าน้ำตาไหลมากเลยนะกับอารมณ์คนที่ไปกับเรื่องของโรคๆทั้งที่เราอยู่ทางธรรมทำไมเราทําอาหารไรสารพิษกินไม่ได้ทำไมเราต้องซื้อเากินฉันยังเคยพูดในที่ประชุมว่าต่อไปตั้งระเบียบดีไหมไม่ซื้อถั่วกินเลยให้มันอดตายขาดโปรตีนกันหมดวัดหมดวานี่แหละมันจะได้ปลูกถั่วสทีนะ น, นี่พูดแบบคนตายโทสะนะฮะ ถ้าสายราคาไม่พูดอย่างนี้แต่นี่พูดแบบสายโทสะแต่จริงๆไม่ใช่โทสะคืออยากจะทํำยังไงให้พวกเรากลับมาให้ตัวดิฉันเองเนี่ยกลับมาทำํำทำเหมือนพ่อกูบอกที้ท่านทำขยะเนี่ยก็เหมือนอุปสรรคใหญ่เลยขาเจ็บฝ่ะจะมาถึงโรงขยะโอ้โหเมื่อยมากเลยแต่ที่นีก็จะบริหารการยังกลับมาทําขยะไอสิ่งแวดล้อมตัวสําคัญนี้ให้ได้เลยงานใดก็จะ จะจัดสรรไวหลายทําไม่ได้ดิฉันก็คิดว่าญาติรรมท่านสมณะเก็บพริกไม่ได้ท่านสมณะเด็กตําลึงไม่ได้ทําไมเราไม่ภูมิใจกับเราได้เด็ดตําลึงเด็ดอ่อมแซบเด็ดอะไรมาถวายสมณะสดสดได้เด็ดมาผัดมาแกงกินเอามาคนละ ร, รมคนละมืออ้อน้ําตาของดึงดาววันนี้จะทําให้เราประชุมกันได้ไหมว่าเราจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแนวคิดให้กลับมาสู่เศรษฐกิจพอเพียง หรือเราจะพุ่งไปโลกุตระโดยไม่คิดจะเอาชนะความจริงแค่พลิกก็ให้หล่นลงดินเท่านี้ค่ะ เ, เสริมนิดนึงว่าเรามาพอดีช่วงก่อนหน้านี้ไปไปร่วมกินแมคโครบวกแกงแขกนะแมคโครที่นี่เป็นแมคโครโพธิลักษ์เินกินแมคโครก่อนแล้วกินแกงแขกตบท้ายเพราะเราไม่ได้เป็นคนป่วย เราต้องทํางานกันทั้งวันงั้นก็ต้องกินแมคโครที่มันสุขภาพแข็งแรงด้วยก็ได้ข้อคิดหลายอย่างเหมือนกันนะแมคโครนี่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากอะ่ะมีข้าวมีผักแต่เขาทํารูปมาปั้นตรงนั้นปั้นตรงนี้ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหมันพิเศษมากเลยนะแต่จริงๆเรามีข้าวกับผักต้มนั่นแหละอาตมาก็เลยคิดว่าจริงๆจริงๆการทําอาหารเนี่ยอยู่ที่ว่าคนทําเนี่ยพยายามทําให้มันดูประณีต ทำให้ดูมันมั น, ม, น, ม, นมันเรียกว่าตั้งใจอะ่ะแต่มาตอนนี้ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้ว่านะเพราะรู้ข้อจํากัดว่าคนทำนะทั้นทุกวันเนี้ทำแทบตายแล้วแหละที่มันมีไม่กี่คนที่ต้องทํากันเนี่ยงั้นก็เอาแค่ได้มีกินกันวันวันหนึ่งก็ดีเหมือนกัย่งเออผักอะไรนะผักเออที่เด็กเลี้ยงควายเคยก็ฟังก็ฟังอะไรที่ก็เล่าไปเลี้ยงควายแล้วก็เอาน้าพริกถ้วยนึงแล้วก็เอาผักเออตําลึงทองอะ่ะนะถ้ามีคนคนเนะี่ย จิ้มกินแค่นี้เขาก็อร่อยกันแล้วนะเราเวลามันมาคือผักอันนี้เวลาไปต้มมันก็สีมันเละๆมันก็เลยจริงมันก็กินได้แต่ทําสีสันไม่ดีว่ไม่มีคนกินเท่าไหร่ก็อยู่ที่จะทําแม่ครัวจะทำสีสันเนีมันดูดีแล้วมันก็พอกินได้คือของไม่มีราคาอยู่แล้วแล้วทําให้มันไม่ดูดีอีกเนี่ยมันก็เลยหมดราคาไปเลยกันจริงมันอยู่ที่ฝีมือแม่ครัวที่จะค่อยๆทําขึ้นมาพวกนี้วันเสาร์เนี่ย เอ๊ะเวลากี่โมงนะที่จะนัดประชุมฮะเที่ยงยังไหมเออใครใครที่อยากอาตมารู้สึกว่าครัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับโรงพยาบาลของชุมชนนะคนจะเจ็บจะป่วยจะแข็งแรงจะสุขภาพเสียหรือสุขภาพดีเนี่ยอยู่ที่ลงครัวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแต่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับตัวเล่นเราไม่มีอะ่ะนะตัวเล่นไม่ไม่มีเลยตัวเล่นที่เราว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆนั่นเองใครอยากมาช่วยสร้างโรงพยาบาล ธาเนียโศกที่มันเป็นตัวตัวที่ควรจะแข็งแรงเจ็บป่วยเลยอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยตอนเที่ยงเรามาคุยกันหน่อยโดยที่ว่าเราจะทําให้โรงครัวเราเนี่ยเป็นไม่ไม่ใช่อาหารนะเป็นยารักษาโรคนะแต่ก็ทําให้คนกินกันได้หมดแล้วแต่ว่าเป็นตัวเป็นตัวยาโดยตรงแมคโคลก็บอกว่าอาหารเป็นอะไรอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะนะเป็นอาหารเป็นตัวสําคัญเลยงั้นพวกนี้เราลองมา มาม า, มาคุยกันดูตอนเที่ยงเราจะช่วยกันพัฒนาโรงครวงัว้วให้เป็นฐานพยาบาลไปในตัวด้วยได้อย่างไรอตอนเที่ยงอข อ, อนิมนต์ขอการครับบรชชาวิทบาทที่อุทยานโยมบนนวลบอกไม่มีผักเลยท่านแต่ ม, มาก็บอกโยมไม่เป็นไรเราเอาข้าวผัดกับน้ำมันก็ขายเถอะกระไรสารพิษไงนะ คือดีกว่าผลิตของมีพิษให้กินนะเราดินมากินพริกในวัดมีพิษเสเองเนี่ยมันก็น่าคิดแต่พริกเนี่ยแต่มาฉันไม่ได้มานานแล้วที่โลครัวเนี่ยกินแล้วว่าชันแล้วกินอ่าอื่นไม่ได้เลยมันแสบไปหมดมันร้อนไปหมดเลยก็ไม่รู้สาเหตุอะไรแต่บอกเลยไปกล้าตักเลยทุกวันนี้เห็นแล้วก็ขยะดนะก็ไม่รู้ว่าพริกเป็นพิษหรือเปล่าเราเดิมาก็ไม่ทราบท่านเด่นก็บอกเป็นเตงใส่ภูมิต้านทานจะไม่ดี เดื๋ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยยิ่งผัดผักก็ใส่พริกยิ่งฉันไม่ได้เลยน ะ, นะว่ามันร้อนไปหมดแล้วมันก็กินอย่างอื่นไม่ได้นะมันก็ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะพูดถึงเดือนแก้วนิดนึงก็คือเดือนแก้วเขาจะทําหน้าที่ตอนค่าเนี่ยหลังจากที่เราเลิกรายการเขาจะไปปั่นถั่วให้เรากินแล้แช่ถั่วนะแต่ก็จะมีเด็กชายมาขามเป็นตัวไปช่วย แช่ถั่วติดไฟอะไรเงี้ยนะอาตมาก็บอกเออมาขามนี้เขารักแม่เขานะเขาก็ช่วยแม่เขาเป็นประจําที่เคยเห็นบางครั้งมีเวลาก็ไปช่วยแม่เก็บผักนะที่ไปช่วยอยู่เท่าที่มองเห็นซึ่งอาตมาก็ไปท่องเรื่องไปให้เขาทําสามอาชีพกู้ชาตินะบอกว่าที่วัดเนี่ยยังกินถั่วมีพิษอยู่นะอวตมาก็ยังกินถั่วมีพิษอยู่นะ อาหารก็ที่อยู่ก็เป็นพิษนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่มาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังธรรมพ่อครูด้ขั้นปรมาติธรรมชั้นสูงที่จะบรรลุธรรมโลกุตละถึงขั้นเป็นโพธิสัตว์ก็แล้วแต่แต่แต่มาว่าประเด็นหนึ่งคือกายในกายกายในกายคือรู้กายภายนอกในกระทบสิ่งที่ขึ้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำนะแล้วก็ อันเนี้ยมันความจาเป็นหรือไม่นะแล้วพอฟังไปแล้วเนี่ยเราได้ฝึกตนไหมหรือฟังเราก็ไม่ได้ฝึกตนเราฟังก็เราก็ได้ปรมัตในการบันทึกในสมุดนะแล้วก็ไปบันทึกประจําวันอย่างปฏิบัิข่าว่าไว้แล้วก็ปิดสมุดไว้แล้วพฤติกรรมออกมาก็เหมือนเดิมนะก็คือเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองการไม่เปลี่ยนแใจตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะครูจะบอกว่าฟังทำก็ดีแต่ทําไม่ฝึกตนไม่ข้อปฏิบัติเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มมาที่ศีลขึ้น แล้วก็ไม่ขนควายในกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสาวพรมประจันมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาตัวเองอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้เจริญขึ้นดีขึ้นคือไม่ไม่เห็นกิจเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำํำสิ่งที่ดีประเทศที่ข่ามประเทศเนี่ยท่านก็จะสนใจอ้าวเรื่องซ่วมเด็กนะมาช้าทั้งประเทศเรื่องอะไรเด็กทิ้งช้อนสปูลสปูลช้นช้อนอนันอะไรอันหนึ่งเนี่ยนะ คือก็อัตราว่าพัเต้ถ้ากิอาภาระดีอ่ะแต่ก่อนพนเต้ท่านก็ไม่สนใจเรื่องเด็กเท่าไหร่แต่ทีนี้ท่านก็อาภาระดีก็ขอบคุณมากนะแล้วก็สิ่งที่จะพูดเสียเพิคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราทําสิ่งที่งานที่ยิ่งใหญ่อย่างพันเตว่าคือเราต้องสมใจโรคธระทเยอะมากมายแล้วก็ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นคนเล็กๆยิ่งปฏิบัติธรรมแล้ละกิเลสได้มากก็ทำงานเล็กๆได้ง่ายได้มาก คือยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเล็กได้มากนะเป็นตัวเล็กๆไม่ต้องมีงานโลกธรรมอะไรเป็นงานเล็กๆ เ, เป็นงานเบื้องหลังเป็นงานกรรมกรเป็นงานที่คนอื่นเขาไม่ทํากันเป็นงานที่คนอื่นเขาไม่สนใจกันไม่มีใครฮือฮาอะไรเงี้ยก็ทํางานสิ่งเหล่านี้แหะเป็นองค์ประกอบของสังคมนะซึ่งบรรบอกถึงภูมิว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมองจุดนี้ให้ชัดเจนเราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองว่าได้ลดตัวตนอย่างปฏิทิศา บ, บอกว่า ทิศทางเราไปสู่ศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนเราศูนย์จริงไหมศูนย์จริงก็คือเราทําสิ่งที่เขาเขาขาดะนะแล้วก็อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่ควรจะทำเนี่ยมันเป็นคนเล็กๆมันก็ได้ลดตัวตนของเรานะอีกอย่างหนึ่งเรื่องขุมทรัพย์ที่พันเ ต, น บ, นเตนบอกว่ามีเพื่อนกันเนี่ยอาตมาว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยอาตมาเคยและโอ้ท่านบอกมาเลยคุมทรัพย์พอบอกไปแล้วก็บอกไปนอนด่าท่านทั้งคืนเลยเนี่ย คือโยงก็บอกทีหลังว่าที่คุมทรัพย์ที่บอกตอนให้นี่ก็ดีมากยินดีต้อนรับแต่ว่านอนหลับไปแล้วไปนอนหนึ่งเนี่ยก็ซัดเทวดากลับหับกลางคืนเลย <c oughs> เขาก็เล่าให้ฟังอ่ะคือมันจริงๆริงจิตมันรับไม่ได้ไงแต่ต่อนหน้ามันก็ทําแบบเท่มากอะไรเงี้ยนะนั่นต้องรู้ฐานกันด้วยอย่าไปอย่าไปหลงคนนะว่าโอ้เขารับได้แน่นอนที่ไหนได้เขาไม่ชอบใจอะไรก็ต้องประมาณ สามีสามปุริจะทำด้วยนะอย่าไปเผยเลยแล้วก็คิดว่าดูหน้าเขาด้วยว่าไหวไม่ไหวไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นศัตรูแบบเตติขา ว, ว่าวัดแตก <c oughs> บั ด, ดีนบั ด, ดีนทะเลาะกันเดี๋ยวเป็นกรรมการกันไม่ไหวก็แย่เหมือนกันนะก็สุดท้ายกะหวังว่าเมื่อเราจะเป็นบัณฑิตก็ย่อมฝึกตนผู้เจ้าบอกบัณฑิตย่อมฝึกตนถ้าไม่ฝึกฝนตนก็ไม่สามารถเป็นอริยะได้ถ้าไม่ฝึกตนก็เป็นโพธิสัตว์เป็นผู้เจ้าไม่ได้ เพราะนั้นควา้ได้มาลอยๆแต่มันต้องฝึกตัวเองมีแววปฏิชัดเจนแล้วก็ทำได้ที่ชัดเจนด้วยแล้วก็ผลประเมินก็ชัดเจนด้วยนั่นแหละเราถึงจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นอริยะจริงมัสการครับพัก่อวันอาทิตย์ประชุมเตรียมงานเจนนะผู้ใหญ่บ้านจะมาประชุมที่เราวันที่เท่าไหร่วันที่เกอ๋อย่างอีกหลายวันวันนี้ที่ไหรห้ วันอาทิตย์เตรียมงานเจวันที่เก้าผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบุงไหม่จะมาประชุมที่นี่เราก็เช็คกันตอนลำแขกกันแล้วกันอ่ะโอ to ูเบสอย่างเียวท่านพ่อครูว่าพักผ่อนกันพลเรนธรร